เดลอนพอร่านสาทุชนพุทธบริษัทผู้ฝ่ายธรรมทุตุ่านคืนนี้เราก็ได้มาพบกันอีกครั้งหนึ่งเพื่อมาสนทนาธรรมถามตอบคำถามเกี่ยวกับการปฏิบัติทานศีลภาวนาทางสู่การหลุดพ้นจากความทุกข เ, เป็นธรรมเนียมที่จะให้เด็กๆ เ, เข้ามาก่อน อันนี้เอาใครก่อนดีใครใครเด็กที่สุดอา่านะักคุณอ่นะนคุณ่อนความอย่างนักคุณเป็ไงชานิสาวันนี้ตักบาตรพระอาจารย์ไปด้วยค่ะอา่า ทูกค่ะอนุโทนาอนาค่ะพอดีน้องคุณตะกี้บอกว่าจะมากราบพระอาจารย์พอดีหิวเราไม่ไหวไปดื่มนมแล้วค่ะพระอาจารย์ออโอเคเห็นไปแม่ไม่มไม่มีนะไม่ไม่มีค่ะเราจะทำพระสงฆ์เปนที่พึ่งค่ะถูกค่ะอนุโมทนาสาธุอน ปไปที่น้องทิมก็แล้วกันนะ้าน้องทิมว่าไงน้องทิมวันนี้นกลันมัสการค่ะพระอาจารย์พูดที่แล้วไม่ได้มาเพราะว่าพอดีติดสอบก็เลยต้องอ่านหนังสือะคะ่ะวันนี้ก็เลยพามาแล้วเขามีคําถามที่จะถามหลวงตาด้วยอะคะอ่ะม า, มาเลยมีคําถามเลยคือพี่ชายครับเขาเพิ่งไปแคนาดาครับแล้วเสียใจายมากเลยที่เขาไปครับมี่ วิธีแกมั้ยคะคือเขาหนู<ม>ให้เขาภาวนาพุทโธอะค่ะแล้วเขาก็ยังคงแบบนอนร้องไห้คิดถึงพี่ชายหนูก็พยายามบอกเขาว่าเดี๋ยวพี่ก็กลับมาแล้วอะค่ะเขาก็เหมือนทำยังทำใจไม่ได้ที่พี่ชายไปเรียนต่อเมืองนอกแล้วก็จะกลับมาปีหนึ่งเลยอย่างเงี้ยค่ะอืมเดี๋ยวรอฝัก็ต้องใจเย็นๆรอไปสักพันกนิดเดียวเดี๋ยวก็หยเเพราะว่าเราเคยอยู่กับเขาทุกวัน พอไม่เห็นหน้าเขาเราก็เลยเหงาอยาก<อ>จะเห็นหน้าเขาถ้าอยากจะให้มันหายเรื่อเลี๋ยวก็คืออย่าไปอยากไปเห็นหน้าเขาสิเอาไปแล้ว<อ>ก็เดี๋ยวนี้ก็ยังคุยกันทางซูมได้มไหะติดต่อทางซูมคิดถึงเขามีไลน์อยู่ครับอ่าก็ติดต่อทา ง, งไางลน์ก็เหมือนกันแหละนะ่ถ้าไม่อยากจะเหงาว่าอย่าไปคิดถึงเขาอ่าค<อ>่ะได้่ ถ้าอยากจะเห็นหน้าเขาไม่ได้เห็นหน้าเขาเราก็จะเศร้าอ่างั้นอย่าไปคิดถึงเขาไม่ไว่ได้เจอกันไม่คิดถึงกันตอนนี้คิดถึงแล้วทําให้เราเศร้าก็อย่าไปคิดนะเข้าใจมไหมเข้าใจไหมคะเมื่อคืนนี้เลยบอกให้เานอนภาวนาพุทโธแล้วคิดถึงหน้าหลงตาแทน<ม> <laughs> ๆๆเลยลองให้ไปหลับไปเลยคะ่ะภาวนาจนหลับไปเลยคะ่ะอ่า ก็ไม่ไม่นานหรอกมันเป็นธรรมดาของคนเรามีความผูกพันกันเคยเห็นหน้ากันก็อยากจะเห็นต่อพอไม่ได้เห็นก็นเลยรู้สึกหนาเดี๋ยวสภาพก็ชินเองเดี๋ยวสภาพันุก็ชินถ้าอยากจะหายเร็วก็อย่าไปคิดถึงเขาเออเข้าไปแนละ้วเดี๋ยวให้เขากลับมาแล้วว่าค่อยค่อยคิดถึงเขาตอนที่เขากลับมาตอนนี้คิดไปแล้วเศร้า อ, อย่าไปคิดเลย เข้าใจไหมเข้าใจไหมคะไม่เศร้าแล้วนะแะฟังหลงตาแล้วไม่เศร้าแล้วนะคะอต้องต้องให้คุยกับหลวงตาต้องให้คุยกับพระอาจารย์เขาจะเข้าใจมากขึ้นโอเคขอบคุณที่กล่าวเข้าใจท่ากล่าวดีดีค่ะลุณแม่มีอะไรไ่าเอ่อขออนุญาตถ่ะเรื่องเนื้อค่ะพระอาจารย์พอดีช่วงนี้ค่ะเอ่อ หนูทํางานแล้วยุ่งอะคะ่ะก็การปฏิบัติก็อาจจะน้อยลงอ่ะนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้ลาทิ้งพุ้โธรอะคะ่ะแต่ว่าคือเหมือนหนูค่อนข้างจะมีจุดเด่นเรื่องของโทสะอาข่ะเหมือนเออจะมีค่อนข้างจะมีโทสะเด่นนะคะแล้วก็พยายามจะเจริญเมตตาอย่างที่พระอาจารย์เคยแนะนําแล้วอะคะ่ะแต่มันเหมือนว่าเราพยายามที่จะให้อภัยแล้วแต่ก็ยังโดนกระทําในเรื่องซ้ะะําๆมาค่ะหนูก็เลย เหมือนบางทีมันก็มีอารมณ์โกโรธอะคะ่ะก็เลยไม่รู้ว่าจะจ ะ, จะเจริญปัญญาไปทางไหนคือพยายามเจริญปัญญาแล้วะะอะค่ะใช้อุเบกขาเราก็เจริญปัญญาแล้วแต่ว่าเหมือนอยากจะตั้งใจให้อภัยแต่ว่าก็ยังทำไม่ได้อะคะาาอ่ะพระอาจารย์ก็เราต้องเปลี่ยนทัศนคติแทนที่จะมองว่าเป็นคนเป็นอะไรที่เราสามารถที่จะไปจัดการกับเขาได้ ไปหวังอะไรจากเขาได้เราก็ต้องมองว่าเขาเป็นอนัตตาเขาเป็นธรรมชาติเหมือนดินฟ้าอากาศเราไม่ค่อยหวังอะไรจากดินฟ้าอากาศใช่ไหมฝนจะตกแดดจะอออากาศจะร้อนจะเย็นเราก็ต้องยอมรับเขาเราค่อยเลยไม่ค่อยทุกข์ไม่ค่อยโกรธ ด, ดินฟ้าอากาศเทั้งหลายเพราะเรารู้ว่าเราไม่สามารถที่จะไปจัดการกับเขาได้ เราก็มองออทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนกับดินฟ้าอากาศไม่ว่าจะเป็นคนด้วยเหตุการณ์สถานการณ์ต่างๆสิ่งของต่างๆมันก็เป็นเหตุการณ์ที่เราจัดการไม่ได้เสมอไปยังพอพอพอเราไปเจอเหตุการณ์ที่เราไม่จัดการไม่ได้เราบางทีก็โกรธบางทีก็เสียใจอีกอย่างในความโกรธของเราก็อี ก, กิดจากความหวังของเรา หวังให้เขาดีหรือหวังให้เขาทำอะไรอย่างนั้นอย่างนี้ให้กับเราพอเขาไม่ทำเราก็เลยโกรธเสียใจเพราฉะนั้นอย่าไปหวังอะไรอย่าไปเพื่ออะไรจากใครเพราะเขาเหมือนดินฟ้าอากาศให้มองให้ยินดีตามนีตม้ตามเกิดผลจะตกแดดจะออกแล้วก็โอเคอยู่กับมันไปอย่าไปหวังอะไรอ่นอยู่กับความจริงอย่าไปอยู่กับความอยาก ถ้าอยู่ความอย่ากเขาจะทุกข์เห็นไหมลูกชายอยากจะเห็นหน้าพี่ชายก<ช>็เลยทุกข์ใช่ค่ะแต่เหนูยังไม่รู้จะสอนเขายังไงเรื่องความทุกข์ตรงนี้ก็เลยแบบเหมือนพยายามให้เขามีสติไว้ก่อนให้ภาวนาอยู่กับพุโทโธไว้แต่ว่าด้วยความที่เขายังเป็นเด็กะนะคะเขาก็ยังแบบยังไม่ได้นะใช่แล้วก็เลยต้องบอกให้เขาอดทนไปก่อนเดี๋ยวไม่สัพพัพก็จะหายเอง ค่ะแล้วหนูสึกว่าเขาคุยกับพระอาจารย์แล้วเขาเขาดีขึ้นความรู้สึกว่าะเขาก็บอกว่าตั้งใจว่าอยากวันนี้อยากจะถามหลวงตาเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยหนูหคิดว่าหลังจากนี้เขาน่าจะคิดได้ตามที่พระอาจารย์สอนนะคะหนูอยากถามว่าแล้วอย่างเงี้ยเวลาเรามีโทสะค่ะเราใช้สติหยุดมันไม่ได้ใช่ไหมคะคือเหมือนเราพยายามใช้สติแล้วอะคะ่ะก็แล้วแต่ ถ้าเราใช้สติถ้าเราสามารถดึงใจให้อยู่กับพุทโธไปในที่ไม่ไปคิดถึงเหตุการณ์หรือสิ่งที่ทำให้เราโกรธความโกรธก็จะหายไปชั่วคราวถ้าจะหายแบบถาวรก็ต้องมองด้วยปัญญาว่าสิ่งที่เราโกรธเป็นสิ่งที่เราไปควบคุมบังคับเขาไม่ได้เขาเป็นเหมือนดินฟ้ากันถ้าเรามองเห็นเป็นดินฟ้ากันเราก็จะไม่โกรธ อาจะเห็นว่าเป็นตัวเป็นตอนตเป็นสัตว์เป็นบุคคลเราก็จะโกรธขึ้นมาค่ะหนูเข้าใจแล้วค่ะแล้วก็อยากลดความอยากของเราลงไปอย่าไปหวังอะไรจากใครถ้าไม่หวงังเราเราก็จะไม่ค่อยโกรธเท่าไหร่้าหวังแล้วเราก็จะโกรธเวลาไม่ได้ดังใจที่เราที่เราอยากได้เวลาอาหารสั่งก๋วยเตี๋ยวข้าวต้มมาเก่งบางทีก็โกรธใช่ไหม หนึ่งแต่ว่าหลังๆก็ดีขึ้นนะคะ่ะบางทีบาีค น, นเสิร์ตก็อาจจะหยิบผิดจำผิดโต๊ะก็ได้จำผิดคนก็ได้แล้วก็ไปกอดเขาใช่ไหมก็เหมือนเป็นคนติดแบบเป็น perfectionist นะค ะ, ค ะ, คะอาจารย์ใช่ต้องผัดเป็นคน flexible อะไรก็ได้ยังไงก็ได้นี่เร า, าอ่าต้องการทำย่างไงอ่า มันกั็ลดไปเยอะค่ะอย่าไปยึดอย่าไปติดอย่าไปหวังอะไรจากใครค่ะเพราะมันไม่สามารถที่จะสมหวังได้ตลอดขนาดได้ค่ะอาจารย์ก็หนูจะจดจําอันนี้เรื่องอันนี้เอาไว้ว่าให้มองว่าเหมือนเป็นดินฟ้าอากาศค่ะเราห้ามลงห้ามฝนห้ามฟ้าผ่าฝนตกไม่ได้อะคะ่ะผก็ไม่เคยไปโกรธมันอเนาะเลเอน้ําท่วมบ้านเราเราก็โกรธมันเราก็ไม่โกรธนะ มาไปโกรธกอรสมรสิมาโกรธผู้ว่าต้องคนโกิดต้องหาคนลงแต่เข้าใจแล้วค่ะที่ที่ที่สิ่งที่พระอาจารย์มอบให้ที่พระอาจารย์สอนเกณฑและค่ะพระอาบอกสัตว์เบสมาหน้าตาทุกสิ่งทุกอย่างที่เราสัมผัสรับรู้เนี่ยมันเป็นอนัตตาแต่เราไปหลงสมมติกันไปหลงว่าเขาเป็นคนนั้นคนนี้เป็นผู้ว่าเป็นนายกเป็นอะไรแล้วเขาไปหวังอะไรจากเขา เราไม่ได้ดังใจหวังก็ไปโกรธเขาค่ะเขาเป็นดินฟ้าอากาศเขเป็นธรรมชาติน่างกายเราก็เป็นธรรมชาติารราตดินน้ำลมไฟนั่งกายของคนเราก็ไปบังคับมันไม่ได้บางวันมันก็ดีบางวันมันก็ไม่ดีพรางวันก็เจ็บไข้ในป่วยแล้วใจก็เป็นธาตุรู้ก็เป็นธรรมชาติเหมือ น, นกันบางที่ใจรางวลก็ดีใจบางวันก็ไม่ดี ใช่ค่ะลองทุกอย่างไหมมันเป็นธรรมชาติเลยผมอืมค่ะคือเพพยายามอยากจะทําให้มันดีทุกวันนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็เข้าใจแล้วว่าบางวันมันก็ไม่ดีบางวันมันก็ดีอะค่ะอืตอนแรกในส่วนที่เราทําได้ส่วนที่เราทําไม่ได้แล้วก็ต้องยกไปยอมไปยอมยอมหยุดเย็นอย่าไปต้องอย่าไปสู้กับสิ่งที่เราทําอะไรไม่ได้ค่ะบางครั้งก็เหมือนเป็นก็ติดความเป็น perfectionist นิดนึงค่ะเหมือนที่พระอาจารย์บอกเลยเหมือนแบบพอบางอย่างอะไรที่เราทําไม่ได้มันก็รู้สึกแบบ Fail, mm hmm. หรือว่าแบบมันไม่ได้ไ ม, ไ, ดไม่ค่อยไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่เหมือนเราตั้งใจจะปฏิบัติแล้วเราแบบเอเราบางอย่างเราทำยังทำไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะก็จะรู้สึกผิดไม่ค่อยดีเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าอยากจะเอา perfectionist ก็เอาที่ใจเรานะไม่โกรธเนี่ยเป็น perfectionist แบบนี้ต่อไปนี้จะไม่โกรธ ไ, ได้ลองจะทำ อออันนี้ดีมากอันนี้เก็ตเลยค่ะจ้าอันนี้เข้าใจคีย์เวิร์ดเลยค่ะว่าจะจะจะจบคํานี้เอาไว้เลยะค่ะว่าจะจะเป็น профессионал ิก็เป็นที่ใจแล้วการอะไรอย่างเงี้ยเป็นที่ใจเราเราสามารถไม่กวดกับทุกสิ่งทุกอย่างได้หเปล่าเป็นเป้าหมายใหม่เพราะใจเราเราควบคุมได้ใจคนอื่นเราควบคุมไม่ได้ค่ะร่างกายคนอื่นเราควบคุมไม่ได้เหตุการณ์ต่างๆเราควบคุมไม่ได้มีสิ่งเดียวสิ่งเดียวที่เราควบคุมได้ก็คือใจเรา เนี่ยพระพุทธเจ้เนี่ย perfectionist ท่านควบคุมใจของท่านไม่ให้โลภไม่ให้โกรธไม่ให้หลงได้ค่ะเข้าใจเลยค่ะพระอาจารย์ขอขอบคุณมากเลยค่ะพระอาจารย์สําหรับวันนี้เก็บเลยอ่ะค่ะกระจ่างเลยค่ะโอเคเราไปทําดูได้ค่ะแล้วเดี๋ยววันที่หน้าจะมาบอกว่าเป็นยังไงบ้างค่ะกับกับพระอาจารย์นะคะาสาธุสา ธ, สาธุค่ะไปที่น้องตะวันต่อจากพอลแลนน้องตะวันเป็นยังไงครับ ถามคุณมัสการพระอาจารย์ครับเอ่อมีอะไรไหมวันนี้เออวันนี้ก็มีหนึ่งคำถามครับเอ่ว่ามันอะไรโอดเก่งเป็นอะไรที่เป็นดีไหมหรือมันเป็นอะไรที่เป็นไม่ดีครับอะไรนะโอดเก่งโอดเก่งครับโอดเก่งเหรอการวอดเก่งทางศาสนาท่านสาวะโอดเก่งไม่ดีหรอกเพราะว่ามันเป็น การใคร ย, ยกย่องตัวเอง ừ. การยกย่องตัวเองนี่บางทีคนหนึ่งเขาไม่ยกย่องเราเราก็จะเสียใจทางศาสนาให้สอนเราอย่าไปโอดเก่งให้เราเอาให้เราเป็นคนถ่อมตนให้เราไม่โอดเก่งให้เราเป็นโอดโอ ด, ไ, ด, ด, ไ, มอดไม่เก่งจะดีวกว่านทําไม่โอไดไม่เก่งเราก็ไม่ต้องไปพูดเราก็ไม่ต้องไปแสดงความเก่งให้คนหนึ่งเขเห็น เราไม่เก่งเราทําอะไรไม่ได้หรือทุกอย่างเราไม่าการทีาเขาเป็นอ่อนน้ําทำตอนการอวเก่งนี่มันเป็นการหนึ่งคนไม่ก็ชอบคนที่เก่งอะรู้กันเราใช่ไหมเราไม่ชอบคนที่เก่งกว่าเราพอ เ, เราไปเจอใครที่เข้ามาอวดเก่งเขาเก่งกว่าเร า, เาแล้วก็หมือนใจเขาเราเราจะไม่ชอบเขาแต่คนที่ไม่อวดเก่งเขาคนที่เข้ามาอวดอวดว่าเขาไม่เก่งเท่าเราเนี่ยเราชอบเขาเนี่ยเพราะเขายกย่องเรานะ เข้าใจไหมงั้นอย่าไปแสดงตัวว่าเราเก่งกับคนอื่นแสนดงว่าเราไม่เก่งเก่งสู้เขาไม่ได้นี่เป่าแล้วเขาก็จะชอบเราเพราะว่าทําให้เขารู้สึกว่าเขาเก่งกับเราแต่ความจริงเราไม่ต้องบอกอเก่งไม่เก่งมันความจริงมันเป็นของที่มันมัน มันมันมันเปลี่ยนไม่ได้บังคับไม่ได้ถ้าเราเก่งกับเขาเราก็เก่งกับเขาโดยที่เราไม่ต้องไปอวดไม่ต้องไปบอกว่าเราเก่งเขาเดี๋ยเขาก็เห็นเองเขาก็รู้เองการที่เราไม่อวดเนี่ยจะทําให้เขาสบายใจเวลาเขาอยู่กับเราจะทำให้เขารู้สึกว่าเขาเขาเขาไม่ด้อยกับเราแต่ถ้าเราไปแสดงตัวเราเก่งเขาเขาจะไม่ค่อยอยากจะอยู่ใกล้เราจะทําให้ตัวเขารู้สึกด้ย เราเขาไม่มีค่าการเการอวเก่งก็เหมือนเป็นเป็นการทําให้ด้อยค่าให้กับคนอื่นนั่นเองดูถูกคนอื่นด้วยการออเอาตัวเองตัวเองถือว่าตัวเองเก่งกว่าเก่งกว่าเพื่อน <c oughs> แล้วมันก็จะมีคนที่เข้าจะหาวิธีที่จะทําให้ตัวเ้าเก่งกว่าเราเพราะว่ามีการแข่งขันกัน แข่งัน ก, กันเดยก่าอาจจะมีการต่อสู้กันทํร้ายกันงั้นการอดเก่งนี่ไม่ดีทางศาสนาพูดเป็นสอนให้เราให้ให้อ่อนน้อมถ่อตนให้ทํามตนไม่ให้หวดเก่งให้ทําตัวให้ต่ทำทาตัวให้ไม่เก่งเข้าใจไหมเข้าใจครับอืมีอะไรอีกยมไม่มากมีจ คุณแม่มีอะไรเปล่าคุณแม่ไม่มีพาพากย์โอเคนะหวังว่าทั้งคงอย่าเข้าใจนะอาจจะอาจะอาจจะนะไม่ทราบว่าเคลียร์หรือเปล่าอธิบายต่ออารย์ก็เช่นกันเอย่าโม้เก่งนะดี๋ยวใครอย่าไปว่าผมเก่งอย่างโน้นอย่างนี้เก่งก็้วเดี๋ยวยังงี้เดี๋ยวก็ท่าไม่สุดนะทําให้ดูหน่อยสิเดี๋ยวก็ทําไม่ได้ก็เสียหน้าหน้าแตกอีก สู้บอกผมไม่เก่งนี่กับผมทำอะไรไม่ได้เขาจะได้ไม่มาใช้เราไม่มาท้าทายกับเรานะโอเคนะมาเลียนไปที่จาแมทกับแจสตี้ต่อไลยจากเด็กเล็กไปสู่เด็กใหญ่ จ, จาแมทแจสตี้วันนี้มีอะไรไหมเปล่าน้ำมันซาลาผ้า่าก สงขันบ้านนะใช่ครับมาบ้านมาเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะร่วงพความแก่ไปไม่ได้เรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะร่วมพความเจ็บไข้ไปไม่ได้เรามีความตายเป็นธรรมดาจะร่วงพ้นความตายไปไม่ได้เอกจากเราเป็นเป็นธสรมชาติเพื่อรอจนต้องแก่ ค่อนข้างจะของนะของจะแบ่ใจทั้งหลายหัควรเรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้หันผลมีกรรมเป็นแรงเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรร ม, มเป็นที่น่าอาศัยเราจะต้องใจไว้เป็นบุญเป็นบาปเราจะเป็นทา ย, ยาทคือว่าเราจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นสิบไปเราชอบใจจะเป็นผู้ชนาอิ น้ำกายเรามีอะไรบ้างที่ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกที่ในกระดูกทางหัวใจตับตื่นใจปอดใชหญ่ใช้น้อาหใหม่อาารกางเลี้สมองศีรษะน้ำดีน้ำเสด็จน้เดือน้ำเยนนํเดือดน้ำข้นนํกลางน้ำเหลือ้า้แข็งข้นน้ำปู ขอน้พุน้ำตาข้าวเหนียวน้ำเลียนน้ำเอืองน้ำเสลดน้ำดีเพื่อให้สองศีสะน้ัาหั่นใหม่เส้นน้อยเส้ให่ปดไ ต, ตับหัวใจ ม, ม้าเยนกระกกระกเอ็นเนื้อนังนเล็บขนทกอยายังไงรู้จักชื่อมันแล้วกล้ามองตัวมันแล้ว กล้มองเหรอครับพี่กล้ามองอะไรยังไงมันมันน่ากลัวไหมก็ในน่าเกลียดมากครับอ่าทำไมน่าเกลียดเวลากินกินเวลาอยู่ในช้างก็กินกันได้นะเราไปกินไปกินไส้วัวไส้ตับไส้อะไรของของสัตว์อื่นนี่กินกันได้ไส้เป็ดไส้ไก่ <laughs> อนะมันไม่มีอะไรน่าเกียด น, น่ากลัวเราไปเราไปคิดมันเองว่ามันน่าเกียด น, น่ากลัวครั บ, รบดูดูบ่อยกันถึงว่ามันก็เป็นอย่างนั้นแ้วมันก็เฉยๆไปมีอะไรจะถามไหมวันนี้ไม่มีครับ <c oughs> โอเคย่างนั่งสมาธิกันอยู่ทุกคืนหรือเปล่าพยายามนั่งทุกคืนครับอนั่งได้กี่นาทียี่สิบนาทีครับยี่สิบนะ อย่าน้อยลงไปเรื่อยๆนะต้องเพิ่มมากขึ้ น, นะนอย่างมากก็ต้องเท่าเดิมถ้าลด ถ, ถ้าน้อยลงไปแสดงว่าถอยหลังนะไม่ไปก้าวหนะ้นะอโอเคนะค่ะค่ะจ้าคุ่มขอบคุณครับอบคุณพราเพบฟ้ า, าเพ่ฟ้าวันนี้ยังไม่ไอะไรพูดไหมก่อนี้พูดภาษาไทยนะไม่เคยนี้พูดภาษาอังกฤษ นามัศการค่ะค่ะอาจารย์วันนี้เป็นพาไม่มาหนูมากับเพื่อนค่ะพอดีวันนี้มากับหลวงปู่โมเกดด้วยค่ะอาจารย์เอ่อไม่ถึงเชียงใหม่เลยใช่ค่ะวันเชียงใหม่ครับค่ะอืมมีอะไรไหมไม่มีค่ะค่ะอาจารย์แต่ท่านก็บอกอาจารย์เฉยๆค่ะนามัศการครับโอเค ขั้นต่อไปเคยเอ่ยคุณสาธกาจากชจยนานเชิญสาธกามาฟังคำคกับอาจารย์เดี๋ยวพรุ่งนี้ไปภาวนาค่ะไีกกี่วันการนี้แปดวันค่ะโอเคไปแล้วดีไหมดีค่ะดีก็อยู่บ้านนะภาวนาดีกว่าค่ะอยู่ <ไป S 1> บ้าเดียว<บ>มันขึ้นทางด่วนนะอ่าอืมอ่าไม่ติดไฟแดงไม่ติดรถกับรถอะไรต่าง ค่ะดีทอบดีค่ะโอเ ค, คพยายามทำไปเรื่อยๆนะค่ะต่อไปเราจะได้อยู่คนเดียวได้เนี่ยตอนนี้ก็อยู่ได้นะได้ได้นะคนดีมากกว่าอัตตาเฮตนโนนาโถนะตอนไม่ไ้เพิ่งของตนอย่าไปเพิ่งอะไรค่ะค่ ะ, คะพยายามตัดไปเรื่อยๆะอะค่ะปราจา์ดีโอเคสาธุ ไปที่คุณออนอันงต่อทางราชการครับอาจารย์วันนี้ก็ตอนนี้มาเชียงใหม่เหมือนกันกับพระอาจารย์อันนี้อยู่เชียงหม่เหมือนกันอาจารย์ครับมีโย ม, ยมตั้งข้อสังเกตตัวเองอยู่อย่างหรือว่าเวลาระหว่างวันเนี่ยโยมจะเวลาลราพูดโทรไปเรื่อยเมันจะทำมันลืมตาตอนลืมตาทํานั่นเฉยเฉยลืมตาหรือ นั่งเล่ตาแล้วบริกรรมเนี่ยเหมือนจะทำสมาธิได้มันมีสติที่ดีดีพอสมควรเลยมนิ่งเงียบสงบแต่พอเวลาตกกัางคืนเราหลับตาปุ๊บพอจะเข้าสมาธิหรือปฏิบัติมันเหมือนแบบเริ่มคิดทันทีเลยนะพอเราหลับตามันก็จะเริ่มคิดทันทีเลยวันทั้งวันเนี่ยสมตทั้งวันเราไม่ได้คิดเลยเราคิดน้อยมากแต่พอหลับตาทำไมเหมือนแบบสิ่งที่เราอะ ไม่คิดทั้งวันเนี่ยงานอะไรเงี้ยก็วิ่งเข้ามาทันทีเลย mm hmm. ก็เลยไม่รู้ว่าเอ้ควรจะแก้อย่างไงดีหรือว่าจริงๆเราควรจะแบบคิดงานให้เสร็จเป็นระหว่างวันกันคือเราจะได้ไม่พอหลับตาแล้วเกิดการแบบคิดหรือกังวลงานที่เหมือนว่าระหว่างวันเราเราพยายามแบบไม่เคยี่คิดถึงมันดีนั่นเองก็ไม่ทราบเหม mm ื hmm. อนกันว่าเป็นพ่ออะไร uh huh. uh huh. อาจจะเป็นเพราะเวลาเราหลมตามันมีภาพให้เห็นมันก็เลยไม่ทําให้ไม่ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆ อ, อปีนโฟกัสอะไรเงี้ยมัอาปิดตาแล้วมันก็เลยมันก็ไม่มีอะไรให้จับมันก็เลยทอนคิดมันก็เลยพูดออกมาคาจจะเป็นก็เราลหลับตาแล้วลองนึกถึงดูเราดูลมแทนดูพุโทโธก็ได้อาจจะต้องอาจจะต้องรวมไปอืม แต่ไม่ต้องลืมตาดูดูดูด้วยการสัมผัสสัมผัสรับดูพญานุ่มเข้าน้ำออกที่ปลายจมูกเนี่ยจะต้องให้แบบแข็งแรงมากขึ้นนะเพราะบางทีแบบอ้าวทำไมหลับตาแล้วความคิดเริ่มเข้ามาต้นลืมตานิ่งๆได้เงียบๆแต่ว่าสงบได้เราจะต้องอาจจะต้องอย่างอาจารย์ว่าคือสติมันอาจจะยังไม่แข็งแรงพอพอหลัพอหลับตาแล้มันมันเราจะหยุดความคิดต่างๆไม่ได้ อย่างนึ่ตามันมีอย่างอื่นมาให้เราได้ดูได้เห็นมันก็ได้ไม่มไม่ค่อย<ม><ม>คิดมางได้อาจจะไม่ว่าแ ป, ป๊บเนไปได้เดีย๋ยวยัต้องไปอย่างยานครับพระเจ้าค่ะวันนี้พิธมีมีโอกาสอ่านบทความหนังสือธรรมะอยู่ส่วนหนึ่งคําว่ากามาฉันทะ ที่เป็นหนึ่งในนิวรณ์นะท่านจริงๆไม่ได้พูดถึงแค่ความหลงในชายกับหญิงแล้วบก็อ่าแล้วก็บอกว่าเนี่ยมันก็ทั่งว่าเช่นคุณตาคุณยายหลงหลานหรือเราหลงในเสียงความน่ารักอย่างเงี้ยก็ทุกอย่างล่ะถ้ามาทางตาหูจมูกเส้นกายการ ม, ม, มาว่ากา ม, มาคุณห้าความยินดีในรูปเสียงเกล็ดลอดในรูปแบบต่างๆ อ, อย่างเมื่อกี้ที่เด็กคุณคิดถึงพี่ชายการนี้ก็เป็นการฉันท์ท้าได้ลนะ่ะ อยากจะเจอพี่ชาย อ, อยากจะเห็นวิชายพอไม่เห็นใจเลยก็เลยเศร้าต้อเลยภาวนาไม่ได้ไมล า, า ใ, ใจเศรา้าอตนนี้ยินดีกับรูกเสียงยินดีรูปแบบต่างๆพางที่ก็เด็กชอบเล่นเกมนี้พอไม่ได้เล่นเกมก็เหงาอ่านนี้ก็เป็นการมาฉันทะหรื อ, อหรือเราชอบเสียงใครเพราะๆอย่างนี้ก็เสียงเพลงก็ได้ภาพพยนตร์ก็ได้รูปภาพคนก็ได้เสียงคนก็ไ ด, ได้แล้วแต่เรา มันอยู่ในกา마ฉันท่าทั้งหมดนะฮะรูปเสียงเก่นร้อยโพธิ์บางอ่าแสดงว่าตอนแรกเข้าใจว่าแค่เป็นเรื่องชายหญิงหรือคู่รักกันอะไรนี้แสดงว่ามันอันอันนึงก็มันก็มันก็ด้วยมันก็อยู่ในกรอบของกา마ฉันท่าเหมือนกันอ่าได้ค่ะถึงต้องซื้อสินแปดเนี่ยสินแปดก็จะคอยเบรกกา마ฉันท่อยากจะดูก็ดูไม่ได้อยากจะฟังก็ฟังไม่ได้อยากจะกินก็กินไม่ได้ กินข น, นมนมในนอกเวลาเนี ก, กินไม่ได้อ <c oughs> นี่เป็นเป็นกา ร, การเ ป, รเปรน็นกามาชันดาถ้าถือสินห้ามันไม่มีเบรกกินได้ทุกเวลาตลอดเวลาดูได้ทุกอย่างฟังได้ทุกอย่างอึงควรจะภาวนาต้องต้องถือสินแปดถึงจะจะดีกว่าถือสินห้าค่ะเพราะว่ายังมีตัวเบรกพวบ พวกเนี่ยตัวว่าสที่เป็นกิเลสทั้งหลายใช่เป็นรู้วเป็นรู้วกั้นกิเลสไม่มันออกไปเพ่นผ <c oughs> ่านกายกันไปใช่ค่ะอันนี้ก็ไม่มีคําถามอะไรมีมีแค่สภาวะที่เกิดขึ้นตรงนั้นแล้วก็พอดีพอไปอ่านตรงนี้ก็เลยโอ้ตายคิดว่าเดิมคิดว่าแค่เรื่องชายหญิงหญิงหญิงชา ย, ยานี้เราก็เลยเข้าใจมากขึ้นเลยว่าโหที่จริงรวมถึงทุกอย่างทั้ง กลางมงคลห้าคำว่ากลามคืกลางมงคลห้าใช่คะอาจารย์วันนี้มีเท่านี้ค่ะ okay. อาจารย์โอเคสาธุใช่คคุณอ๋อผู้เขียนชิญคุณอ๋อน้ำกลับน้ัพการพระอาจารย์เจ้าค่ะะอาจารย์ได้ยินเสียงไว้เจ้าค่ะได้ยินได้ยินว่ามาเลย วันนี้ลูกไม่มีคำถามเจ้าค่ะเข้ามาห้องเรียนเจ้าค่ะอาจารย์ขาดเรียนไม่ได้โอเคดีเข้ามาแล้วต้องเข้ามาเจ้าค่ะอาจารย์ <Okay. S 2> แต่ว่าเดี๋ยวสภักดิอาจจะขออนุญาตออกไปฟังทาง youtube ต่อในเจ้าคา่ะอาจารย์ได้ได้เชิญเลยขอบคุณพระอาจารย์ที่ไม่ตาเจ้าค่ะโอเคไปที่น้โมต้าน้โมชื่อน้โมนี่กันดีแล้วไม่เปลี่ยนทาไหมนะขอบคุณยาย สาษ ส, สการคาัฟ่กผมก็มึนกับตัวเองเลยบางทีก็เราก็ลืมตัวลืมเปลี่ยนอะไรเง<ม>ี้ยแเราก็แบบเปลี่ยนไปเปลี่ยนมามันงงเหมือนกันอแต่บางคนบางทีไปเจอแฟนคลับจากซูมพระจาจารย์ข้างนอกเขาเรียกผมซันโดซันโดผมก็หันควอบไปตอนแรกไม่รู้ฮะหันครอบไปอ้าว อ้าวน้องน้โมใช่ไหมคะเนี่ยโอ๊ยได้เจอตัวจริงอะไรอย่างเงี้ยก็เราก็จะสับสนนิดนึงเพราะบางคนก็จะเรียกเราน้องน้โมหรือเปล่าคะน้องสันโดษหรือเปล่าคะแต่ก็ได้อยู่ครับก็ตอบรับทั้งสองชื่อเรียกอะไรก็หันตามชื่อนั้นแหละครับเพราะมันแค่สมมติครับอาจารย์ อันนี้วันนี้มาส่งกันบ้านแล้วก็มีคําถามมาถามพระอาจารย์ครับผมมามาหลังจากที่พระอาจารย์อ่าให้ไปฝึกในเรื่องของการพิจารณากายครับผมผมก็เลยลองพิจารณาดูคราวนี้พิจารณาไปพิจารณามาก็เลยอยู่ๆก็คิดเล่นขึ้นมาว่าเออไหนลองในลองตายสิแบบเออถ้าตายเราเนี้ยตายให้ดูได้ไหมปรากฏว่าไอ้จังหวัดที่เราแบบ มันเสียงมันผุดขึ้นมาอย่างเงี้ยครับอาจารย์กลายเป็นว่ามันรู้สึกเหมือนจิตมันรวมไปเลยมันจิตมันรวม ล, มมลวมงเป็นสมาธิแบบดิ่งไปเลยแล้วมันดิ่งลึกแล้วเราก็อยู่งั้นไปจนหลับเลยครับอาจารย์แล้วเราก็กลับมานั่งพิจารณาว่าอ๋อหรือว่ามันเป็นเพราะว่าเรายอมรับความแบบตายได้ กึ่งหนึ่งยังยังไม่ทั้งหมดแต่เรายอมรับความตายได้กึ่งหนึ่งว่าเออถ้ามันต้องตายมันก็ต้องตายแล้วมันก็ทําอะไรไม่ได้อย่างเงี้ยครับพระอาจาย์เพราะมันเป็นอนัตตาอันนี้ผมพอเจอสภาวะที่ถูกทามไหมครับพระอาจารย์หรือว่ายังหลงอยู่อาจารย์เราสงบก็ถูกตามอาจารย์เราไม่ตื่นเต้นตกใจยอมรับสภาพความเป็นจริงได้ครับอาจารย์ก็ส่วนใหญ่จะไม่ตกใจมันจะมีแบบ แต่มันจะมีอยู่นิดนิดหน่อยหน่อยที่เวลาแบบเจอแบบไม่ไม่ได้เตรียมมาก่ <laughs> อน <laughs> เพราะฉะนั้นมันหนึ่งไอ้ น, นี่เลยมันไม่แน่นอนเลยพเพราะว่าเพราะมันไม่มีขิดมิดเล ย, ยมันนิดเดียวแล้วเราก็สามารถตั้งสติได้ก็ไม่เป็นปัญหาเลยครับอาจารย์แต่จะตั้งสติได้เร็วอยู่พอสมควรครับอาจารย์แล<ะ>้วก็พระอาจารย์ครับผมมีเรื่องอยากเรียนถามอาจารย์ครับคือ ตัวตัวผมคระก็พยายามเจริญสติอยู่ที่โรงเรียนต่อเนื่องและคราวนี้สิ่งที่ผมพบว่าเป็นปัญหาก็คือเราเวลาเราทำอะไรพูดอะไรอย่างเงี้ยครับอาจารย์บางทีเราเราใช้เจตนาเป็นตัววัดเพราะฉะนั้น เราเราจะดูว่าละว่าตัวเรามีเจตนาที่จะทําไม่ดีหรือว่ามีเจตนาในทางดีหรือไม่ดีอย่างเงี้ยครับอาจารย์แต่บางทีเราพูดอะไรไปเราอะไรไปแล้วมันเข้าหูคนแล้วเขาไปตีความอีกแบบหนึง่งอย่างเงี้ยครับแล้วเขามองว่าเฮ้ยเราเป็ น, เ ร, เ, ปนเราเป็นตัวแทนพุทธศาสนาแต่ทําไมเราทําตัวอย่างนี้มันไปทําให้ศาสนาเสื่อมเสียอย่างเงี้ยแต่ทั้งที่ความจริงแล้วเราก็ ไม่มีเจตนาอยู่ข้างในเจตนาเราบริสุทธิ์อยู่ข้างในครับอาจารย์มันไม่ใช่เจตนาอย่างเดียวที่เราเป็นตัววัดการกระทำของเร า, รจาเจตนาการกระทํำและก็ผลที่เกิดจากการกระทํอมองมาทั้งให้คบทั้งสามตัวไม่มีเจตนาทําไปแล้วทําให้คนอื่นก็เสียหายเดี๋ยวร่างก็ไม่ควรจะทำอาจารย์นะครับอาจารย์แล้วอย่างนี้คือเราก็ต้อง หันกลับมาที่จะมาสำรวมตัวเราให้มากยิ่งขึ้นได้ก่อนจะพูดอะไรก็คิดถึงผลกระทบที่จะตามม า, าพูดไปแ ล, <ม>แล้วจะมีผลอย่างไรกับนบ้าอเพราะว่าเวลาเราเราก็คิดทบทวนแต่ว่า<ม><ม>เราก็ไม่นึกจริงๆนะครับว่ามันจะ<ม>พอเขาฟังแล้วเขาจะไป ตีความเป็นอีกสิ่งหนึ่งแล้ว เ, เราก็มีความหมายเดียวอ้แต่เขาไม่ตีความเป็นอีกร้อยเป็นพันความหมา ย, ย่านคนคที่มีสติจะพูดน้อยมากกว่าฟันมากกว่าพูด ด, ดีกว่าถ้าไม่มีความจําเป็นอย่าไปพูดะพูดเท่าที่จําเป็นคพ ร, ราะพพูดไปแล้วมันมักจะเกิดผลอะไต่างๆตามมาผลกระทบต่างๆเกิดขึ้นจากการพูดของเราพูดให้น้อยดีกว่า เท่านี้ยังเป็นได้ครับพระอาจารย์จะกลับไปสํารวมให้มากยิ่งขึ้นก็มีเท่านี้ครับผมพระอาจารย์ก็ยังไม่ได้ถึงท่านอยู่นะคะอ่าดีใจที่ได้พ่อปัญญาปัญญาแข็งแรงนะอยู่ไปนานนะแต่เช้าเลยครับพระอาจารย์ปลุกผมตั้งแต่เช้าเลยบอกว่าเดี๋ยววันนี้เจอหลวงตานะเจอหลวงตานะ โอเคะนะเอาตอนนี้ก่อนนะขอใหอาจารย์พักชันแข็งแรงครับขอบคุณอาจารย์ค่ ะ, ะ, ะบราร์ดี้สุนันจากอุน น, นทธา น, นี น, นันมีอะไรไหมคะคำถามสักการค่ะไม่มีค่ะไม่มีบาร์ดีคุณจา่าอยู่ปอร์นันออริกอนคำถามสักการค่ะพระอาจารย์ได้ยินไหมคะได้ยินจ้ะ ค่ะพระอาจารย์วันนี้หนูมีคำถามเกี่ยวกับการนั่งสมาธิค่ะขออนุ ญ, ญาตเล่ายาวนิดนึงนะคะคือน <c oughs> ูเมื่อประมาณสองสมปีที่แล้วหนูเริ่มต้นศึกษาพุทธศาสนาตอนนั้นหนูแบบยังไม่มีความรู้อะไรเลยก็ลองนั่งสมาธิแล้วมันบังเอิญเข้าไปถึงจุดที่สงบแล้วตอนนั้นด้วยความที่หนูมนไม่เข้าใจหนูก็ง ง, งงว่าเออเหมือนความคิดมันหายไปไหนอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกแบบไม่เห็นมีอะไรเลยไปดีกว่าหนูก็เลยแบบออกมา แล้วเรคิดว่าเออเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยเข้าใมาใหม่แต่ว่าปรากฏว่ามันไม่เคยเข้าไม่เคยเข้าไปตรงนั้นอีกเลยจนกระทั่งประมาณสองปีผ่านไปเมื่อต้นปีนี้หนูก็มาฟังพระอาจารย์พระอาจารย์บอกว่าก็เรามีหน้าที่เดียวคือนั่งไปเรื่อยๆแล้วก็มันจะถึงจุดที่ผ่านเวทนาไปได้เองเราแค่ก็แบบเหมือนตามพุทโธไปเรื่อยๆ อ, อ, อะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็ทําตามก็แา้อยู่มันก็ไปถึงจุดที่ เจ็บปวดแบบรู้สึกเหมือนตัวจะแตกอย่างเงี้ย น, นะคะเราหนูก็แบบอดทนว่าเอ้ยนั่งไปเรื่อยๆนั่งไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยคะ่ะจนกระทั่งใ น, นที่สุดมันก็เข้าไปถึงความที่อยู่ๆมือนมันก็แบบโบไปอะไรเงี้ยคะ่ะหนูก็เลยแบบเอ้ยมาอีกแล้วความรู้สึกนี้ที่แบบไม่ไม่ไม่เจอมาประมาณสองปีทีนี้ตอนนี้หนูเริ่มมีความรู้แล้วว่าพระอาจารย์บอกให้นั่งไปให้ได้นานที่สุดหนูก็นั่งไปเรื่อยๆจนกระทั่งมันมีความคิดขึ้นมาว่า อ, อแล้วมันจะเจ็บกลับมาอีกไหมเนี่ยกลัวจังอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันก็เจ็บเลยแล้วก็สมาธิหนู ก, ก็หลุดหนูก็เลยถอนออกมาแล้วก็ตอนนั้นประมาณเดือนมีนาแล้วก็จนมาถึงป่านนี้หนู ก, ก็ยังไม่เคยเข้าไปถึงจุดนั้นได้อีกจนแล้วคือทุกครั้งที่นั่งมันก็ไม่ใช่ทุกครั้งที่จะเอ่อเข้าไปถึงจุดที่จะเจ็บปวดพอที่จะให้ให้แบบมันเป็นความรู้สึกซาไปทั้งตัวแล้วจนกระทั่งมันแบบโบแล้วก็ไม่มีความรู้สึกอะไรอะไรอย่างเงะะี้ยค่ะคือมันไม่ได้เกิดแบบนั้นตลอดแล้วก็ เมื่อประมาณช่วงเร็วๆนี้ที่ผ่านมามันมีอยู่ครั้งหนึ่งที่เกิดขึ้นแต่มันก็มีจิตหนึ่งที่โผลที่แบบเหมือนคอยบอกว่าเ อ, อกลัวจังเลยก็ไม่รู้เหมือนกันว่ากลัวอะไรทั้งๆที่ก็รู้อยู่ว่าก็ปลอดภัยดีก็นั่งอยู่ในบ้านคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทีล่าสุดก็คือเมื่อวัาวานสองวันก่อนหนูก็ลองเ อ, อสังเกตดูว่าอะไรที่มันเป็นตัวปัญหาแล้วก็รู้สึกว่าเหมือนมันจะมีกิเลส ต, ตัวนี้ที่คอยเหมือนแบบระ ง, งมร้องกันบอกว่าเฮ้ย แบบเจ็บมากเลยพอเธอลูกเธออะไรเงี้ยค่ะแล้วหนูก็เหมือนคอยข่มมันเอาไว้แต่มันคือมันข่มไปยังไงมันก็เหมือนไม่ผ่านเข้าไปถึงเหมือนอย่างที่ตอนนั้นหนูเคยเข้าสักทีคือสุดท้ายแล้วมันจะมีเสียงเล็กๆอยู่อันหนึ่งที่บอกว่าแบบเออพอเธอแล้วหนูก็ไม่รู้ทําไมหนูไปเชื่อเสียงนั้นสองสารอบแล้วคะ่ะคือไม่ทราบพระอาจารย์มีคําแนะนํำยังไงบ้างไหมคะมให้หนูแบบสู้กับมันได้ก็อย่าไปสนใจอาการเจ็บปวดเล อยายาอย่าไปให้ความสำคัญกับให้เราหาอะไรปลกใจเกาะติดไว้จะสวดมนต์ก็ได้ดูลมก็ได้โทรไปก็ได้แต่อย่าไปให้ความสำคัญกับอาการเจ็บปวดเพราะให้ความสำคัญแล้วใจมันจะอยากให้มันหายพออยากแล้วมันจะเกิดความเครียดความตึงเครียดขึ้นมาจนทนนั่งต่อไปไม่ได้ Jamie, ถ้าเราไม่ไปสนใจมันจะเจ hey um ็บก็ไปมันเจ็บไปแล้วก็พุทโธพุทโธไปแล้วดูลงไปแล้วส่วดมนไปก็ได้เราเดี๋ยวสะพังเรื so. ่องใจเราก็จะเนิ่งใจเฉยอาการเจ็บมันจะหายไม่หายก็ไม่เป็นปัญหาอยู่กับมันได้พอใจเราเนิ่งเฉยแล้วเข้าใจไหมเข้าใจค่ะก็ก็จริงๆถ้าทําบ่อยๆไปเรื่อยๆ มันก็จะเหมือนอาจจะมันจิตมันอาจจะแข็งแรงขึ้นหรือเปล่าค่ะก็จะสู้ได้เองคืออันนี้คือพูดถึงถ้านในกรณีที่หนูแบบไม่สามารถที่จะไปไม่สนใจมันได้ค่ะอย่างที่ว่<พ>าอาจารย์แนะนําว่าให้ยังไปสนใจก็ต้องขยันพุโทโธก่อนที่เราจะมานั่งขยนัโนโตขยันสวดอะไรไปก่อนแล้วพอมานั่งมันก็จะมีสติมีกําลังมากอาจจะเฉยเฉยกำลังก็ได้ถ้าไม่เฉยก็ต้องขยันสวดขยันพุทโธไปในช่วงนั้น <Okay. S 2> อย่างนั่งเฉยๆนั่งเฉยๆแล้วเดี๋ยวกิเลสอยากจะลุกขึ้นมานะตัวหน้าตัวกิเลสให้พอละเลิกได้แล้วเนี่ยตัวกิเลสเรี huh. ยกววิภาวะทันหาความอยากจะหนีจากความเจ็บปวดไปโอเคค่ะก็คือพอ ท, ทันทีที่เห็นมันขึ้นมาก็พุทก็ uh huh. พยายามดึงสติกลับมาพุโทโธต่ อ, อใช่อยู่กับพุโทโธไปอยู่กับลมหายใจไปเรื่องอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วแต่เราจะทนั้ มันจำปัญญาต้องอยู่ทั้งทั้งหมดทั้ ง, ท, งทั้งลมทั้งพุทโธติดทำบริกรรมอย่างเดียวจะจะง่ายกว่าหรือท <ừ. S 2> ําอะไรไปสั้นๆพุทังสารนักกระชามิธรรมสารนักกระชามิไปก็ได้ือเคค่ะเรื่องนิจจังทุกขังอนัตตาไว้ก็ได้ท่องไปอือเราลองพยายามคิดว่าแบบเสมมติว่าเราติดอยู่ใน สถานการณ์ที่แบบตึกถล่มแล้วทับตัวเราอยู่แล้วเราแบบลุกไม่ได้เราจะทายังไงถ้าเราไม่มีออปชั่นที่จะลุกแต่สุดท้ายมันก็แบบมันจะไม่มีออปชันได้ยังไงก็ลุกสีอะไรเงี้ยลุกก็ลุกเพราะเราเ <c oughs> พราะเราไม่มีอะไรยึดยึดยึดเนี่ยจิตใจให้ให้อยู่ต่อไงต้องมีอะไรให้มันทํา เวลาเรานั่นเงเล่นภายในปวดฉี่มันยังไม่อยากจะลุกเลยยังนั่งเล่นต่อได้เราดูหนังเวมนกันดูละครตอนไหนกำลังเข้าได้เข้าเข็บนี่ปวดฉี่ก็ไม่ยอมลุกเลย <c oughs> นอได้ <c oughs> เพราะเรามีอะไรให้ดูได้ค่ะอืยันต้องต้องอะไรให้ให้จิตทําในตอนนั้นถ้านั่งเฉยมันก็เบื่อมันไม่อยากจะนั่งมันไม่อยากจะเจอความเจ็บมันก็อยากจะลุกขึ้นมา <c oughs> มนก็ <c oughs> หาอะไรให้มันทํา โอเคนะค่ะเขาพระคุณค่ะอาจารย์สาถูกค่ะอ่าไปที่อาจารย์พรพิไลรยนอนยาวมานะคืนนี้เดี๋ยวในคนเข้ามางานเยอะเข้ามางานเร็วรค่ะนมมศการค่ะเบลล์ไข่รอได้พ่อคุณนนุคุณดูแล่บบอลยิงอยู่ค่ะเนี่ยถึงแชมป์ไทยกับจีนค่ะเกมสุดท้ายไม่ยอมเข้ามาปัญญาติดการมาชันท้ายอยู่ ใใเสียงีดังอยู่ค่ะบ็ไม่เป็นไรเอาความสุขของเขาการมาชนะกอไมกมาแล้วค่ะมาแะ้วค่ะมาอรายงานตัวหน่อยค่ะมงลับจาชอยครับนนี้คะแนนได้เท่าไหร่นะวันฟินลวันนี้สามสามสองคนไทยชนะครับชนะแชมป์เอเชีย ชนะทีมยนะใช่ะหมด้่าชนะทีชนะเกมสุดท้ายต้องเพลต้องไอ้อะรดิวต้องดีวสดก็ดีดีใจกับเขาด้วยมเก่งๆวันอาทิตย์ก็สาวไทยชนะกอล์ฟที่พอรเลิรน LPGA ที่พอรเลิร์อายุสิบเก้าเอง อ่อ่งเนี้คนไทยทาอะไรได้เยอะมากเก่งมากอย่างนี้ก็เรีวกว่าเป็นคามีสมาธิมีสติดีนะแต่มนแต่มีนไม่ฉาสติไม่ฉาสมาธิมันไม่ได้ระหยุดกิเลสไม่ส่งเสริมกิเลสโอเคค่ะมีอะไรไหมไม่มีนะไม่มีค่ะมีค่ความอาจารย์ค่ะ ไปอยู่เย็นเป็นสุขกันนะเขาก็ควรกลับพระอาจารย์ค่ะอาบาเจียนะคุณหมอภาสนาหายไปนานเนี่ยลืมไปเลยเนะีย่ยเคยเคยมีหมอภาสนาอยู่ในห้องเ อ, อ้าอาจารย์รืมลุกสิได้เพิ่งกลับมาตามคําสั่งของอาจารย์เนี่ยค่ะไปอยู่อันมาเดือนหนึ่งอาจารย์เร็วมากเลยค่ะเหมือเนเพิ่งไปเมื่อวานแบบมันเหมือนทําเหมือนเดิมทุกวันเนี่ยอาจารย์ก็รู้สึกดีนะอาจารย์แล้ว ก็ขอบคุณพระอารผมพูดคุณพระอาจารย์มากมากเลยที่แบบว่าแบบเออแนะนำให้ไปที่วัดเนี่ยค่ะแล้วก็ต้องขอบคุณหลวงพ่อริพน์พลด้วยพันเทศอธิษสัตวเทพอะไทุกวันเลยให้กําลังใจทุกวันก็ไม่ได้ใช้นาฬิกานะพระอาจารย์เอาชุดไปสามชุดก็ทําทุกอย่างตามหน้าที่ได้แล้วก็รู้สึกว่ามันเบาขึ้นพระอาจารย์ mm hmm. ไปเดินคืออันอาทิตย์แรกเนี่ยคนเยอะมากเลยพระอาจารย์ต่เราอ่ะก็คือนึกถึงสัมมาวาจาที่ว่าคือทาเสียงดังหรืออะไรเราก็ไม่ควรพูดอะไรมากเพราะเดี๋ยวพวกพี่ๆเขจะเสียใจก็เลยไปหาที่ในป่า ก็เลยชคดีเลยพระ อ, อาจารย์เลยได้ที่เดินในป่าที่ดีมากๆเลยพระ อ, อาจารย์ไปเดินในป่าเป็นมอสเลยค่ะคือป่าแบบทึบใช่ไหมแล้วก็ได้นั่งสมาธติตรงข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกก็มันเลยทําให้มันเห็นธรรมชาติเห็นอะไรรู้สึกดีค่ะพระ อ, อาจารย์ก็ทํางานก็ก็ทาําครัวทํางานแล้วก็ได้ขัดส้วนให้ขัดส้วมผู้หญิงให้ด้วยนะคะอืก็ปฏิบัติแล้วก็สวดมนต์สี่ชั่วโมงคือสวดมนต์เนี่ยที่เนี่ยแบบคือชอบมากคือไปรอเลยนะอาจารย์เดินจงกรมเพราะว่าพอสวดมนต์เสร็จปุ๊บเนี้ย ตอนเช้ามันนั่งสมาธิแบบนั่งปุ๊บก็ลงเลยแล้วก็แล้วก็ได้ไปได้ไปขอกลับไปหลวงพ่อขอในสัญชิกกับอดอาหารนะคะพระอาจารย์เพราเห็นหปู่ขาที่เคยเรียนพระอาจารย์หลวงพ่อบอกว่าก็จะทําตามกำลังแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าที่เนี้ยที่นี่อดอาหารกันเป็นแบบพาท่านแบบตั้งใจอดอาหารกันซัวันเจ็วันอะไรเงี้ยก็เลยเป็นกำลังใจเราไงอืมดแล้วก็รู้สึกว่ามันถทบสว่างพระ อ, อาจารย์ก็ <Yeah. S 2> อดอาหารค่ะดีดี พออดอาหารแล้วเนี่ยรู้สึกว่ามันสว่างอ่ะพระอาจารย์แรงไม่ตกเลยนะพระอาจารย์รู้สึกว่าแรงมันยิ่งเยอะขึ้นจริงๆพี่เขาบอกว่าไม่ต้องทำกลัวนะอดอาหารนะแต่เราเอรู้สึกว่าพอดีเจ้ามาที่เคยกันอ่ะพระอาจารย์ตอนนี้เป็นเพื่อนเลยนะพระอาจารย์มันมาช่วยเดินจงกลมอะไรเงี้ยก็เลยบอกว่าต้องเอาอาหารให้มันด้วยแล้วก็อยากไปใส่บาตรด้วยก็เลยทําทุกอย่างเหมือนเดิมนะพระอาจารย์แล้วอดอาหารแล้วก็อดนอนแต่ว่ารู้สึกเลยว่าแรงแต่ว่าพอเรากลับมาดูเรารู้สึกว่าเออเราคือปฏิบัติตามสกิลด้วยได้อยู่แล้วก็เลยก็เลยทําแค่วันเดียวพระอาจารย์ แล้วหลวงพ่อเนี่ยก็ในเรื่องของความจริงกับสมมตินะคะก็ทําให้เราเห็นมากขึ้นเรื่อยๆพระอาจารย์ออืก็เลยเข้าใจที่พระอาจารย์ไม่ไปอยู่วัดหุวพ่อถามว่าคิดถึงบ้านไหมจริงๆแล้วคือแบบงงเลยลืมไปเลยพระอาจารย์หรือคิดถึงบ้านเลยรู้สึกวันที่เนี่ยมันแบบมันให้กําลังอะพระอาจารย์แต่ว่าแต่ว่ามันต้องกลับมาเพราะว่าคุณพ่อผ่างหัวใจนะคะอาจารย์แล้วก็ต้องขอบคุณพระอาจารย์เพราะคุณพ่อคืออาจารย์บอกคุณพ่อเรื่องของการที่แบบว่าร่างกายไม่ใช่เราแล้วคุณพ่อก็แบบเชื่อพระอาจารย์นะก็สวดมนต์อะไรอย่างนี้พระอาจารย์นะแบบผ่าวหัวใจเนี่ยบ คุณอเนี่ยอายุ88เส้นลึกมากพระ อ, อาจารย์ทํำ6ชั่วโมงอาจารย์เชื่อไหมคะพอออกมาเนี่ยคุณพ่อกินยากแก้ปวดไปแค่ครั้งเดียวอ่ะไม่เจ็บแผลเลยพราะข้อข อ, อ, กออกวันแรกนะแล้วก<ม>็เดินได้แล้วโอ้เดินเดินได้แล้วค่ะพระอาจารย์วันนี้วันที่4วันที่5แต่เปิดเทปแล้วก็อะไรอย่างเงี้ยรู้สึกต้องขอบคุณ อ, อาจารย์มากเลยะคะ่ะเดี๋ปฏิบัติต่อนีโอเคแล้วมีโปรแกรมจะกลับไปหรือเปล่าหรือยังอ๋อมีเลยค่ะพระอาจารย์จะพากลับไปด้วย ก็ยังบอกหลวงพ่อพ่อหลวงพ่อก็ให้ให้ให้ขาหารอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บอกหลวงพ่อว่าเดี๋ยวจะกลับไปเอาแฟนไปด้วยลูกไปด้วยก็คือคือรู้สึกเลยว่ามันชอบชอบคือชอบอย่างนี้หมือนถึงว่ามันทําให้สงบนะพระอาจารย์เข้าใจว่ามันไม่ได้มันไม่ได้ยึดติดนะพระอาจารย์แต่รู้สึกว่าตรงเนี้ยคือแบบมันอยู่แล้วมันสงบแบบพระอาจารย์มันปฏิบัติได้เยอะเลยที่มันสงบยึดติดก็ไม่เสียหายตรงไหไม่เป็นเสียหายแต่ก็คือชอบอย่างเงี้ยแต่เดี๋ยวว่าอยู่ที่บ้านกลับมาก็ทำนะฮะเพราะว่าเออแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะพระอาจารย์พระ อพราใหมย่ที่บวชอ่ะก็คือรูปที่อยู่กับพี่หนุ่มแฟนอ่ะที่ไปครั้งแรกอ่ะท่านใจดีมากไปอยู่เป็นเพื่อนพี่หนุ่มทําให้พี่หนุ่มเนี่ยอยู่ที่นั่นไในเจ็ดวันในครั้งแรกที่แกไม่เคยไปวัดคราเนี้กลับไปอ่ะบวชแล้วอ่ะรู้สึกเห็นหน้าท่านแล้วดีใจมากอ๊บผู้บ้าตัวคืออนุโมทนาด้วยก็เลยมาบอกพี่หนุ่มว่าหุ้ยคนที่อยู่ด้วยบวชแล้วนะค่ะรู้สึกดีมากเลยมาาันเป็นกำลังใจดกันเป็นกำลังใจมากเลยค่ะกลับมานี่กําลังใจเติมแบบ โอ้เวอรู้สึกดีมากพยายามจัดสเกตด้วยเลยพระอาจารย์ทําเดี๋ยวกลับไปใหม่พระอาจารย์ไม่ต้องกลัวอะไบุคคลสปายะได้จับคคนที่เป็นนักปฏิบัติมันให้กําลังใจกันถ้าอยู่กับถ้าอยู่กับพวกไม่ปฏิบัติมันมันมันสวนทางกันแล้วมีครูบาอาจารย์เหรออาจารย์อดีโอเคสิดที่ลานี้ไม่เป็นไรติดที่หล่านี้ถือว่าเป็นเป็นมากอ่ะ ต้องมีที่ให้ดีๆมีบุคคลดีๆให้เราอยู่ศึกษาปฏิบัติช่วยกันผ่านเงินเงนะ้องใจของรอาจารย์ไม่ได้ไม่ไม่ค่อยสงสัยเลยแล้วพระอาจารย์ก็คือทําอย่างเดียวกันพระอาจารย์ทําสิทำอย่างเดียวเลยแกลืมความหลงอย่างเดียวเลยพระอาจารย์ตอนเนี้รู้สึกดีมากใจมันนิ่งคือแบบนิ่งนิ่งขึ้นเยอะเลยอย่าพระอาจารย์โอเคไปนี่ถาต่อไปนะคนณตายอยูพัทยาตายเป็นยังไง ยิ่งยิ่งปฏิบัติไปผมยิ่งสั้นลงเนาะยิ่งยิ่งเข้าหน้าผมยิ่งสั่นลงเลคนักศกาพรอาจารย์กี่เปอร์เซ็นต์ห้าสิบเปอร์เซ็นตได้ไหมะตัดออกไปห้าสิบเอร์เซ็นได้ไหมโอ้ยเยอะครับรอาจารย์ไม่เหลืออะไรแล้วค่ะลองดูว่าผมหนูว่าที่จริงมันไม่สวยหรอกแต่ว่า หนูรักของหนูมากห่วงห่หวงมากก็เลยว่าเออถ้าเราเอาเอามันออกเราเอาของรักของห่วงค่อยค่อยออกออกดูว่าใจเรามันจะเป็นยังไงอมันเบาขึ้นสบายขึ้นนะค่ะค่ะพระอาจารย์ก็รู้สึกว่าเราทําได้เร า, าเราตัดบางสิ่งบางอย่างที่ที่เรารักที่เราห่วงออกจากชีวิตเราบ้างมันก็อื เราก็ไม่สะทกสถทานในใจอะไรหรอกมากเราก็อยู่กับมันาผมเนี่ยเป็นของรักมากที่สุดนะของผู้หญิงเนี่ยผู้หญิงใครไม่รักผมไม่มีหรอกใช่ค่ะหนูไม่ตัดผมมาสิบกว่าปีค่ะกือบจะเท่าอายุลูกค่ะพระอาจารย์แต่มันก็ถึงมันก็จะล่วงมันก็จะขาดแต่มันไม่ค่อยยาวแต่หนูก็รักของหนูไปอย่างเงี้เห็นเห็นองหนูมันก็เซ่ก็เซนไอย่างเงี้ยนะคะพระอาจารย์อเครื่องเครื่องวัดความก้าวหน้าในการปฏิบัติ ยิ่งก้าวหน้าได้ผมมีสั้นลงไปได้เลยแล้วผมหายหมดไปเลยค่ะต้องขออนุญาตแฟนกันอันนี้อันนี้ก็ขออนุญาตเขาเหมือนกันว่าถ้าถ้าเราผมสั้นเตัวตัวเขาก็หัวเริ่มไม่ต้องไปขออนุญาตก็ก็ดีใจค่ะที่ผ่านจุด จุดที่ว่าตลาดตรงผมตัดเอได้อันไหนตัดได้พยายามตัดไปเรื่อยๆสังเกตถามตัวเองเรายึดติดกับอะไรจําเป็นต้องมีมันไหมไม่มีจําเป็นก็ตัดมันไปเลยพระอาจารย์ก็ให้เนื้อน้อยที่สุดให้น้อยที่สุดให้เนือน้อยที่สุดพระอาจารย์เอาเท่าที่จําเป็นที่ต้องใช้ต้องอยู่ต้องกินท่านของอย่างอื่นที่เป็นของฟุ่มเฟือยของรู้ราเนี่ตัดไปให้หมด น่าจะสบายขึ้นเยน<ต>อะหนะฝากไม่กล้าพูดต่อเลยมันก็ยังมียังมีของเล่นอีกแต่ว่าแต่ก็จะพยายามแบบก็ก็จะหยุดมันบางบางบางอย่างบางอย่างไยงอย่างเสื้อผ้าอย่างผ้าที่เราชอบอย่างสิ่งที่เราชอบอะไรนี้ก็พยายามลดลง แต่ถ้าลดถ้าเราลดลงแล้วแต่ว่ามันยังคาตู้อยู่อย่างเงี้ยว่อจาันเราจึงมาไป่ได้ใช่ไหมคะอาไปทําบุญเถอะาไปทําบุญเลยบอยจากรมาไปบอยจักรคนยากคนจนเนี่ยที่บินธบะตอนเช้าเนี่ยมีคนยากคนจนมารับประทารอย่างจะี๋แจกเสื้อผ้าก็มาแจกที่ปลายแถวก็ได้มือมือหนูเหงื่อเต็มนะคะพ่อจันเดี๋ยวค่อยๆละนะเจ้าค่ะ ก็ก็ทําไปเลยมันไม่ยากหรอกทาของที่เราที่ว่ามันทำได้ก่อนแล้วมันจะทำเวลามีกําลังใจเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆออันนี้เราก็ทําได้ไอันนั้นเราก็ทําได้อย่างที่เรายังทําไม่ได้ก็เกี่ยวต้องทําได้มันไม่ยากมันอยู่ที่เราตั้งใจจะทําแล้วไม่ตั้งใจจะทำนั่นเองหนูขึ้นไปภาวนาบนเขาหกหกวันุกคืนน่ยพ่อแฟนจะไปตามให้กลับบ้าน <laughs> พอกว่าถ้าไม่ลงมาแล้วจะเกิดอะไรตามกูจะกวจะบวชนะใส่แล้วก็จะแต่ก็ดีใจด้่ยครับเป็นห่วงแต่หนก็บอกว่าไม่ต้องเป็นห่วงแล้วหนก็มากำบุญแล้าก็เอออันนู้นหนาบุญกันหนูมาพยายามรักษาระดับไว้นะเราปีนถึงจุดหนเ้าอย่าอย่าอย่าถอยลงมาแล้วต้องปีนขึ้นไปเรื่อย แต่อาจารย์แต่งานยุ่งมันก็มันก็มีถอยนะคะอาจารย์งานหนูเยอะมันไม่เหมือนอยู่บนข่าวหนูอยู่บนข่าวหนูก็พำวันนาได้เยอะกว่าแต่พออยู่บ้านขึ้นมาปุ๊บมันงานมันก็เยอะแล้วก็นอนเด็กมันก็เพี้ยแล้วก็กิน ม, มื้อเดียวด้วยก็เลยว่าไม่เป็นไรทําเท่าที่ได้แต่ก็พยายามทำะคะ่ะอาจารย์แต่ก็ต้องกลับไปบ่อยๆกลับไปนี่เพื่อยเคยไปอยู่น้องยาทิ้งเดือนละครั้งไม่อย่างดีนะ ค่ะผอาจ่าวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วค่ะาูาจ่าเดี๋ยวหนูขออนุญาตออกไปด้วยนะคะผูจ่าได้ตามสบายน้องๆขอบคุณครับสาธุโอเคบายที่รั้คุณนิสากับนมัสการค่ะาอาจย์ก็ลูกไม่มีคำถามค่ะอาทิตย์ที่แล้วมีถอยหลังเป็นสอกสามวันค่ะอาจารย์ พอดีไม่ไม่ได้ดูอะไรเลยค่ะอาจารย์บุ๊คต่เพราะว่าติดโควิดค่ะอาจารย์ค่ะร่างกายอเมริกาน่าติดโควิดกันมากขึ้นตอนนี้ช่วงนี้ใช่ไหมใช่ค่ะอาจารย์เพราะว่าไม่มีใครใส่หน้ากากเราก็ไม่ใส่เหมือนกันค่ะอาจารย์ก็เลยติดซะเลยค่ะตอนนี้สองวันร่างกายมันมันไม่ยอมมันจะนอนอย่างเดียวเลยค่ะอาจารย์ แต่ก็อดีอาการรุนแรงไม่ร น, นแรงนะไม่ค่ะเหมือนเป็นเหมือนเป็นไข้หวัดอะคะ่ะอาจารย์แต่เขาบอกว่าสายพันธุ์นี้มันซัมเมอร์ที่อเมริกานี่มันจะเน้นไปทางไข้สูงตอนตอนตอนเป็นแรกๆสองสองสาวันแรกไข้จะสูงอาจารย์แล้วก็ลักษณะก็เหมือนเหมือนเป็นหวัดอะค่ะร่างกายมันก็เลยจะนอนอย่างเดียวเลยะคะ่ะพระอาจาร ย, ไย์ไม่ยอมไม่ยอมก็พยายาม ไม่มีไม่มีเลี่ยวแรงสองวันแรกค่ะหลังจากนั้นก็ดีขึ้นแล้วค่ะพระอาจารย์ก็คนติดเยอะใช่าการเจ็บป่วยเป็นการทําข้อสอบไปค<อ>ดูซาาึ่งใจเราเป็นยังไงใจเราวุ่นวายเดือดร้อไหมใใจเรายนรับกับมันได้อยู่กับมันได้ไม่วุ่นวายค่ะพรอาจารย์ไม่วุ่นวายเลยรู้สึกเฉยเฉยแต่ว่าเพียงแต่คิดว่าเอออยากจะแบบอยากจะทํา ทำร่างกายให้เหมือนเดิมค่ะคือหมายถึงปกติก็ดีแบบกิจวิทยคือนั่งสมาธิเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะกังวลแต่ว่าก็คิดแบบเออเรามันควบคุมร่างกายมันไม่ได้เนาะมันไม่ยอมเราอะไรเงี้ยก็ต้องปล่อยอะค่ะพรอาจารย์ผอนก็ได้นอนก็ได้นอนสมาธิไปก็ได้ก็ทําก็วันที่สามทำอะค่ะพระอาจารย์วันที่สองที่สามทำแต่ว่า มันจะหลับค่ะเพจาะฉะั้หลับก็ไม่เป็นไรก็ปล่อยมันหลับไปปล่อยมันค่ะอาจารย์พอมันตื่งขึ้นมาแล้วก็นุ่มลงไปก็ผมจะเรินสติไปค่ะก็แต่ว่าสติพอหลังจากหลองจากที่ดีขึ้นก็สติดีค่ะเพราะว่าช่วงที่เป็นก็ไม่ได้คิดอะไระค่ะคืนมันนอนอย่างเดียวมันเลยไม่มีความ ไม่ได้ไปสนไม่ได้ไปสัมผัสกับสิ่งภายนอกอะไรอย่ง น, นี้ยค่ะคือพิจารณาร่างกายแบบว่ามันเป็นงนี้มันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายค่ะค่ะอาจารย์มันไม่ใช่ตัวเราของเราคพยายามแยกตัวเราออกจากร่างกายไปค่ะพอาจารย์ก็ตอนแรกก็เป็นกงังวลกลัวว่าไม่ได้ไม่ได้ทํําทาไม่ได้นั่งสมาธิสักสองสมวันกลัวจะพอกลับมานั่งแล้วมันจะทําให้เข้าเข้ายากก็ไม่นะคะ คือก็ก็ดีค่ะก็ยังโอเคค่ะเพราะว่าตอนที่เป็นอยู่ก็คือยังเหมือนเจริญสเตียค่ะแล้วก็ไม่ค่อยได้ไม่ได้ไม่ได้มีการสัมผัสสิ่งภายนอกเลยค่ะเหมือนใจมันอยู่ข้างในอะค่ะอาจารย์เห็บไข้ได้เปิดมันก็ดูอย่างมันออกไปข้างนอกไม่ได้เลยนะค่ะไม่ได้รับรู้อะไรเลยค่ะนอนอย่างเดียวค่ะอาจารย์คือที่ผ่านมาก็คือ ตอนที่ทําร้านดีที่แล้วที่ยังมีร้านอยู่ค่ะเออไม่เป็นเลยคือแบบคิดว่ารอดน่าจะรอดนี่เป็นครั้งแรกเลยค่ะ<ม>ปกติก็คือจะจะระวังมากใส่หน้ากากพอหลังๆนี่เขาไม่มีใครใส่หน้ากากเลยก็เลยต้องโดนอืมโอเคต่อนะค่ะอาบน้ำสักการค่ะดีขึ้นแล้วค่ะขอข อ, ขอบพระคุณค่ะอาจารย์ยจากน้ำสักการค่ะอ่าไปนี่คุณสภัชดาตอนนี้ยุงเทพกลับมาถึงเมืองไทยแล้ว ออกลับมาราชการอาจารย์เจ้าค่ะสิงแล้วเจ้าค่ะมาดูแลคุณแม่คุณแม่ออกจากโรงพยาบาลแล้วเจ้าค่ะอืทําหน้าที่ลูกไปทําหน้าที่ให้ดีที่สุดเจ้าค่ะก็ไปดูเขาเอทั้งวันเช้าถึงเย็นแล้วก็แล้วก็กลับมาบ้านที่คือลูกมีบ้านอยู่ที่ที่เมืองไทยด้วยเป็นนะคะก็เป็นไม่ได้นอนกับเขาพี่สาวก็อยู่กับเขาอะเจ้าค่ะอืมก็ดี ใช่ะ้ะค่ะก็มาดูก็้ลูกเคยบอกว่าจ้าว่าลูกเป็นคนกลัวเครืงบินใช่ไหมเจา้าค่ะข่าวมาข่าวมาเมืองไทยโอ้ยสันสันสันท้าทยายเจ้าค่ะเดี๋ยวไปโย่ท้าทายมากลูกกลัวเุรื่องบินแบบแบบกลัวคือเป็นคนที่แบบถ้าเท้าไม่แตะพื้นมันใจมันหวิวหว่วเจาว้าค่ะไม่ว่าจะเป็นเครื่องบินหรือเรืออะไรอย่างเงี้ยเจา้าค่ะ Mm hmm. แล้วก็ตรงตรงบอกว่ามันบินผ่านซีเอโร่เจ้าค่ะเหมือนพายุมันมันมันมันสั่นน้าดูเจ้าค่ะแล้วลูกนั่งคล้ายด้วยโอ้โหสบายสบายลูกก็เอาแล้วที่เราฝึกมา mm hmm. ฝึกมาตลอดที่แบบนึกถึงความตายตลอดมาเอางานนี้สู้เป็นสู้รู้สึกดักแด น, นเจ้าค่ะแล้ว ร, รู้สึกลู้รู้สึกว่าคือไม่ขาดแต่ว่าความกลัวมัน มันน้อยกว่าที่เคยเป็นนะเจ้าค่ะลูกลูกกรู้สึกมีความศรัทธาเพิ่มอีกดีอ ม, มันต้องมีข้อสอบ ม, มนันึังยัดว่าเราไปถึงไหนนะใจ่แล้วค่ะรู้แบบเอาตายเป็นตายตายก็ตอนนี้แล้ว<ม>ตายแล้วตายเราจะต้องจิตจะต้องแบบนี้นะต้องนิ่ง<ม>อย่างนี้นะก็รักษาตลอดเจ้าค<ม>่ะ<ม>ก็ ก็ประมาณเกือบชั่วโมงเลยแบบซันแบบยืดแบบอยู่ตลอดเจ้าค่ะลูกก็แบบสิ่งที่กลัวก็มาแล้วลูกก็แบบมาแล้วมาให้มาให้มาแล้วมาท้าทายจริงๆคือกลัวที่สุดคือนั่งเครื่องบิน่ะจอมแล้วก็ลูกก็กล้านั่งได้ก็ถือว่าก็ก็ถือว่าเก่งแล้วนะก็ก็แบบเราก็นึกถึงว่าเราก็อยากไปดูแลคุณแม่เจ้าค่ะก็เลยบอกว่า ยังไงก็ต้องไปก็ไปคนเดียวแล้วก็มาคนเดียวแล้วก็พอตอนที่แบบสันก็นึกถึงนึกถึงหน้าหน้าของพระอาจารย์นะจะคุณคือไม่ได้นึกถึงคุณแม่แต่แต่นึกถึง <c oughs> นึกถึงหน้าของพระอาจารย์แล้วลูกก็ท่องแบบเกิดแก่เจ็บตายตลอดแล้วก็แบบเออจะเกิดอะไรก็เกิดปั๊บรู้สึกหนักแน่นแล้วก็ความกลัวกลัวไม้มมัน น้อย ล, ลงอะเจ้าค่ะแล้วลูกก็คคเป็นคนรู้สึกว่ามาอีกเถอะอยากทดลองอีกอยากให้รู้ว่าอยากให้รู้ว่าเราเราตำบาตคือเราขาดจริงเราขาดไหมอะไรอย่างเงี้ยลูกอยากให้มาอีกอะเจ้าค่ะอืเป็นข <fi> าต้องเย็นเฉยยอมหยุดเย็นเจ้าค่ะคือมัน ม, มันรู้สึกมันพยายามแบบดูข้างในมันก็แบบรู้สึกมันหนักแน่น่ะมันรู้สึกแบบมันไม่เย็นอะเจ้าค่ะแต่มันรู้สึกมัน จากให้แบบเฮ้ยกลัวไหมมันก็ไม่มันก็มันมันตอบไม่ถูกอ่ะเจ้าค่ะมันรู้สึกแบบเฉยอ่ะแบบมันเจ้าค่ะก็ดีก็ดีถ้าไม่กลัวไม่ทุกข์เฉได้ก็โอเคแต่ลูกอยากอยากได้ข้อสอบอีกอ่ะเจ้าค่ะเพื่ อ, อเพื่อแบบเดี๋ยวมีการกลับมาแล้วการกลับมาอีกช่วยมาเลยเพราะว่าเป็นคนกลัวเครื่องบินก็ไม่รู้จะทํำยังไงกัน มันเป็นทางเดียวที่เราจะทดสอบได้ว่าเราขาไม่ขาดคือการ น, นั่งเครื่องบินเอย่ยขากร่บขอของนี่ลองทดสอบไม่รู้ว่าเจ้าค่ะก็ลองจะ อ, อยู่นานจะ อ, อยู่นานไหมอ่าเดี๋ยวลูกจะอยู่จนอ่าจนถึงประมาณตุลากลางตุลาเจ้าค่ะแต่ว่าลูกจะกลับอเมริกาแค่สองอาทิตย์คือคือไปรับสามีมาเจ้าค<อ>่ะจริงๆแฟนแล้วอะ่ะ แพนจริงๆคือจะมาพิศศิกาแต่คุณแม่ป่วยก่อนก็เลยแต่สามีมเขาบอกให้ใช้เจ้าค่ะเขาบอกว่าช่วยกลับไปรับเขาได้ไห ม, มคือเขาเขาไม่อยากบินมาคนเดียวเขากลัวมไม่ใช่เขากลัวเครื่องบินเขากลัวโควิดเขากลัวคน เขาไม่ได้บินมาสิเขาไม่ได้เดินทางออกนอกประเทศสีป่ป mm ีอเจ้าค่ะลูกก็เลยลูกเป็นคนกลัวเครื่องบินแต่เขากลัวคนกลัวโควิดเราก็แต่ตอนกลัวเครื่องบินที่มันน้อยลงแล้วเจ้าคา่ะลูกลูกลอง เ, อเดี๋ยวลองดูมันจะมีข้อสอบหรือเปล่าไม่รู้เจ้าคา่ะลูกก็เลยต้องกลับไปรับเขาเดินทางกลับมาด้วยกันนะเ จ, <Okay, please. S 2> จ้าค่ะโอเคยีกษาเจ้าค่อ ขอบขบพระคุณพระอาจารย์เจ้าสารสัทธาอีกมาอีกแล้วเพิ่อ <ยา S 2> อมอีกแล้วเชิญค่ะเจ้าค่ะการขบขอบพระคุณเจ้าค่ะคุณมาเียุทธาการแกนงไงมาเรมีมีข้อสอบอย่างนี้บ้างไหมส่วน้องพ่อค่ะมีมีหลายหลายแบบค่ะมีหลายเรื่องไม่รู้จะเอาเรื่องไหนก็ปล่อยเลยค่ะหลวงพ่อทั้งทั้งตัวเองแล้วก็ทั้งแม่ด้วยค่ะ เขาเขป่วย mm. เป็นเป็นโรคหัวใจอะไรเนี้ยคะ่ะอืวันนี้หนูก็ลางงานไปดูแม่มาค่ะแล้วเขาเป็นเกี่ยวกับหัวใจอะไรเนี้ยคะ่ะหลวงพ่อแล้วก็ตัวเองก็มีลื่นลื่นล้มแบบอุบัติเหตุก็มีมีแบบมีเสียงมีเขาเรียกอะไรคะหลวงพ่อเมื่อกี้มีตกใจนิดนึงแล้วก็ปกติคะ่ะหลวงพ่อเนี่ยังยังเจ็บตัวอยู่คะ่ะหลวงพ่อ mm. มีหลายแบบกับ mm. หลวงพ่อคะก็ ก็เพียามนึกถึงว่าเอ๊ะเราเราตั้งสติแล้วเราก็ต้องยอมรับกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นได้ค่ะแล้วมีความรู้สึกค่ะหลวงพ่อมีความรู้สึกว่าร่างกายของเรากับใจเรามันเหมือนมันเหมือนแยกกันแบบเด็ดขาดค่ะหลวงพ่อมันมีความสุขหนูหนูเห็นร่างกายเามันเหมือนสิ่งของเหมือนอะไรก็ไม่รู้ค่ะหลวงพ่อมันตั้งตั้งอยู่แบบแยกแยกกันอย่างนี้ค่ะหลวงพ่อ ไช <birthday, S 2> ้เหมือนมัอนเหมนรยนตคันหนึ่งเหมือนจักรยานคันหนึ่งที่เราข <ś cia> ี่ที่ใจที่มันสั่งมันไปไหนมื่อไหนอ๋อแล้วพ่ออันนี้ยังรู้สึกเจ็บหลังอยู่เลยค่ะหลวงพ่อแต่ว่าก็ก็ปล่อยเขาใจยังไงก็ปล่อยเขาอย่าไปทุกข์กับมันถ้าลราห้ามความเจ็บร่างกายไม่ได้แต่เราห้ามความเจ็บทางใจได้ <ś cia> ใจเราอย่าไปทุกข์กับมันยอมรับความเจ็บทางร่างกายอยู่กับมันไป หายก็หายไม่หายก็ไม่ไม่หายไม่เป็นไรค่ะแล้วหนูก็ยังปฏิบัติอยู่ค่ะหลวงพ่อก็ยังเมคืนก็ดึกดึกอยู่ค่ะหลวงพ่อก็นั่งปฏิบัติไปอะไรไปค่ะหลวงพ่อปฏิบัติทุกวันค่ะหลวงพ่อหนูขอถามตรงที่ว่าเอออย่างสมมติพระโสดาบันที่ที่รัะสังโยชได้สามข้อค่ะหลวงพ่อแล้วแล้วสกิรั ก, กส ก, กิร์ลดลด ข้อสามไอ้อข้อสี่กับข้อห้า ไ, ได้ได้ได้ได้เบาบางลงอ่าได้นนี้ยเบาบางประมาณขาาึ้งเป <ตง S 1> <ช>็นห้าสิบเปอร์เซ็นตตรงตรงที่ว่าลดลดการ น, นั้นเนี่ยหมายถึงจําผู้หญิงกับผู้ชายอย่างนี้หรือเปล่าคะใช่การร่วมหลับนอนกันร่วมเพศกันบางบางเวลาก็ยังอยากจะนอนด้วยบางก็บางเวลาก็ไม่อยากแล้วแต่ว่าจะเห็นนสุภาพหรือไม่เห็นนสุภาพเวลาเห็นนสุภาพความอยากมันก็หายไป อไปเห็นว่าเป็นสุภาพมันก็ความอย่างมันก็ขึ้นมาแล้วถ้าถ้าเป็นถ้าเป็นอนาคาอันนี้เป็นอนาคาเนี่ยจะเห็นอสุภาพตลอดเวลาไม่ไม่มีเห็นสุภาพแล้วไม่เห็นร่างกายว่าเป็นสวยงามตรงไหนมีแต่อสุภาพมีแต่กระดูกมีหุ้มพอด้วยเนื้อนะไไหนาภายในก็ไม่ีตับตไตไส้ตรงตายไปก็เป็นสพขึ้นอื่นขึ้นมาแล้ว แล้วในเรื่องของความโกรธกับโทสะอันนี้ยังมีอยู่ยนะคะยังมีอยู่ยังมีอยู่ยังไม่ตัวตนอยู่ยังมีอัตตามีมานะถึงตัวอยู่ต้องละอมานะให้ได้แล้วคือถ้าจะละมานะตัวตวนก็คือต้องเป็นระดับพระอรหรอนันต์เองใชคะใช่มันท่าอรหรันต์ลองดูพระอนาคามีนี้เห็นร่างกายไม่ใช่ตัวเราแต่ยังยังเห็นจิตว่าเป็นตัวเราอยู่ตัวจิตยังเป็นตัวเราอยู่ มันไม่ยึดติดร่างกายแต่มันยังไม่ยึดติดกับจิตอยู่ยังถือตัวอยู่ก็คือยังยังยึดยังยึดตัวเองอยู่ใช่ไหมคะเนาะใช่ยังถือว่าตอนนี้เก่งกว่าเขาดีเท่าเขาหรือด้อยกว่าเขาอยู่ยังไม่อาจตาตัวตนอยู่ไม่ใช่เป็นตัวรู้เฉยๆต่อไปก็จะปรับให้เลยแต่เป็นดัดฉันไม่แค่ตัวรู้ฉันไม่ใช่ตัวตน หลวงพ่อเขามันมีมีตั้งสิบมีตั้งสิบตัวมันก็ยากยากเหมือนกันนะคะหลวงพ่อยากมากเลยมันมันดูเหมือนดูเหมือนมันอก็ห้าตัวแรกมันก็ทํามันก็ละเป็นขั้นๆโซนาบันก็ละสามตัวอนาคามมก็ละอีกสองตัวหมดไปห้าละอันนี้เกี่ยววันเรื่องร่างกายหมดไปแล้วทีนี้ก็เลือเรื่องใจใจก็ไปติดรูปประจานะรูปประจานก็ละมันไป แล้วก็ไปถือตัวตนก็ละมันไปแล้วมันก็เหลืออวิชชาก็ยังไม่เห็นเห็นกิเลสที่ละเอียดก็คือตรงอวิชชานี่คือต้องต้องเห็นตายรักต้องต้องเห็นทางปัญญาใช่ไหมครับะทุกอย่างเราเห็นด้วยปัญญามเห็นตายรังหมดทุกอย่างรูปประชานรูปประช า, น, ตาตนก็เป็นไตายรักอัตตาตัวตนก็เป็นตายรักไม่ไม่ตัวตน อวิชาก็าไม่มันก็ไม่มีตัวตนหลวงพ่อคอีกคำถามหนึ่งทีดีถ้าสมมติว่าทางวัดหรือว่าทางพระที่บ้านต่างจังหวัดเนี้ยขนมพ่อสมมติว่าถ้าเกิดท่านไม่ไปช่วยงานทำบุญเลี้ยงพระอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่ามันมันบังเอิญที่หนูจะไปไปอยู่วัดปฏิบัติ ทำอย่างนี้ค่ะแล้วถ้าเกิดเราปฏิเสธไปอย่างนี้จะบาปไหมคะหลวงพ่อไม่บาปหรอกไม่บาปเราไปทําบุญที่ที่ละเอียดกว่าที่สูงกว่าถ้าต้องเลือกระหว่างภาวนากรือทำบุญทํำทานต้องเลือกภาวนานอกจากว่ามันมันจําเป็นจะต้องทําไม่ให้เสียมารยาทหรือเสียเสียอะไรแต่บางทีก็ต้องเลือกเนาะเพราะว่า ถ้าเราไปทํามูลทำทางมันก็เหมือนถอยหลังลงมากลัมาอยู่ช่ น, นั้นรู้บ้างเพราะก็คือจะจะเรียนท่านให้ให้หากคนอื่นมาช่วยแทนหนึ่งไม่ไม่บากใช่ไหมคะหลวงพ่อหือก็บริจาคเงินไปว่าให้ท่านไปจ้างใครมาทําแทนเอาก็แล้วกันตัวเราไม่ว่างตัเราติดงานภาวะอันนี้หนูมีคําถามประมาณเท่านี้ค่ะ <Okay. S 2> แล้วก็ <Okay. S 2> วันที่วันที่สิบสิบหกสิบเจ็ดเนี้ยค่ะหลวงพ่อหนูหนูจะที่หนูจะไปภาวนาแล้วก็เดี๋ยวเดือนตุลาก็จะไปขึ้นเขาประมาณแปดเก้าวันนะคะหลวงพ่อหนู <Okay. S 2> จองไว้แล้วอืมดีค่ะหลวงพ่อได้ขาวว่าเดือนพฤศจิกาเขาจะเขาจะปิดชั่วคราวให้ซ่อมแซมอะไรระบบ น, น้ําปะปามแตหนูหนูไปเดือนตุลาพอดีค่ะแนละ้ว okay. งพ่ออโอเค 29อี่สิบเก้าะค่ะหลวงพ่อที่เจ็ดสิบห้าเรากคนแห่งห้องมากคุณชนะดาเจ้นะดาอยู่ที่ไหนตำบลปราการเราสัการ์จะค่ะวันนี้วันนี้อยู่บนเขาค่ะอยู่บนเขาครมารายงานตัวค่ะพระอาจารย์ดีไหมคะนี่ดีั้มสงบไหมก็ออ๋อมียุงเต็มห้องเลยค่ะพระอาจารย์ ในห้องน้ําในห้องน้ําวันแรกมีประมาณยี่สิบตัวได้วันที่สองก็เพิ่มลูกก็เข้าใจว่ามันคงมีแค่นั้นเดี๋ยวมันก็คงค่อยๆตายไปทีละหน่อยละหน่อยเพราะว่ายุงอายุสั้นใช่ไหมคะมันเที่ได้ไงมันเข้าไปได้ไงไม่ไม่รู้เหมือนกันเลยค่ะพระอาจารย์ก็พยายามหาว่าแบบเพราะว่าตั้งแต่มาปฏิบัติไม่เคยเจอเลยค่ะเพิ่งเจอข่าวนี้ยค่ะแล้วก็พอวันที่สองมันก็เพิ่มขึ้นอีกจนเมื่อเมื่อวันเนี้ยค่ะวันนี้ตอนเช้าอ่ะ อืมลูกนะับเท่าข้าวอเกือบเกือบร้อยตัวนะคะพระจารย์อืงงมากเลยแล้วพอตอนบ่ายเย็นเนี่ยเอ๊ะเขาต้องเลยบ่ายๆก็เลยพูดเล่นก็เลยบอกเขาไปบอกบอกไปว่าเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวจะฟ้องพระจารย์พอตอนเย็นหายไปเกือบหายไปครึ่งได้เขาก็หายไปเองก็งงว่าเขามายังไงไปยังไงอะคะ่ะมันไม่มีมุ่งรวดอ่ะที่พักมีใช่ไหมมีนะคะอืม หนูนงงมากเลยค่ะมีช่องโหว่ตรงไหนหรือเปล่าสังเกตดูก็เดี๋ยวพรุ่งนี şey ้จะลองหายทีแต่ว่ it, ามกก็เดินหาอยู่นะคะพระจาย์ก um ็ไม่เห็นในห้องน้ําก็ไม่เห็นนะคะช่องโหว่กงก็งงหนุนกันค่ะว่าเข้ามาได้ยังไงกลางวันก็พยายามเปิดประตูให้เขาออกมาแต่มันเขาก็ไม่ออก เหมือนมันจะอยู่ในห้องน้ำอะค่ะเยอะค่ะพาจารย์โดยนี้ลูกเข้าห้องน้ําก็เลยแบบระวังระวังอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ดีเหมือนกันค่ะพาจารย์ก็ไม่ไม่ได้เป็นอุปสรรคอะไรมากค่ะก็ก็ไม่ร้กอยู่ประมาณไปก็ต้องยืนประมาณไปใช่ค่ะพาจารย์นี่ก็เหมือนอยู่กับสัตว์เลี้ยงค่ะมีเต็มไปหมดเลยมีกระบินอยู่ในห้องเต็มไปหมดเลยค่ะพาจารย์อืนก็เลยเปิดแอร์ตลอดเลยค่ะเพราะว่าพออากาศเย็นๆแล้วเขาจะไม่ค่อยบินกันเท่าไหร่ Mm hmm. พอถ้าเกิดว่าไม่เปิดแอร์เขาก็จะบินกันเต็มเลยค่ะพาจาร์ mm hmm. ก็เลยต้องเปิดแอร์เลยค่ะช่วงนี้ค่ะ mm hmm. แล้วก็ภาวนาก็วันนี้เพิ่งจะเข้าที่เข้าทางตอนเย็นนะคะพอาจารย์ไปเจอไปเจอแม่ชีหลา่าดีใจมากเลยค่ะพอาจารย์ mm hmm. ดีใจมากแม่ชีสง่างามมาก mm hmm. ก็เลยเอาเอ า, เอาขนมเอาเอาชกโกแลตเอาซ็กโกแลตเอาถั่วไป ไปมออให้แม่ชีอะค่ะนิดหนึง่ง <laughs> ก็ดีใจอะค่ะพระอาจารย์กลับมาเลยนั่งสมาธิดีดีกว่าทุกวัน <laughs> ให้ทำบุญทำทาน <laughs> คือดีใจด้วยที่ได้เจอแม่ชีลาแล้วก็แบบเอ่อก็อ่านหนังสือค่ะรอบนี้อ่านปฏิปทาภาะธุดงค์กรรมฐานนะคะ่ะมีความรูม้สึกว่าตรงกับในช่วงภาวะตอนที่ที่เรามาภาวานาแบบเนี้ยค่ะ ตอนแรกเห็นหนังสือเล่ม ด, ดูดูแบบว่าดูขลังๆน่าจะแบบซีเรียดไหมแต่อ่านไปจริงๆแล้ ว, ว่ก็ไม่เลยค่ะพระอาจารย์อ่านไปแล้วรู้สึกสนุกก็ขำหัวล้อหัวล้อตลอดเลยค่ะพระอาจารย์ mm hmm. แต่ก็ชอบค่ะก็รู้สึกว่าดีดีอะค่ะพระอาจารย์หนังสือนะคะ mm hmm. แล้วก็พรุ่งนี้ว่าจะงดอาหารก็ออกวันที่เก้าใช่ไหมคะแล้วก็จะงดอาหารพวกนี้ค่ะจนถึงวันออกค่ะพระอาจารย์ แล้วก็โทรศัพท์ยังไม่ได้ปิดเป็นเรื่องเป็นราวเลยค่ะพรอาจารย์ว่าจะปิดพวกนี้เหมือนกันค่ะพรอาจารย์แล้วก็หมดค่ะค่ะได้ค่ะพรอาจารย์พอาจารย์โปรดชี้แนะค่ะเดียแล้วนะเราทําไปดูเป็นตาหูจมูกเนื้อง่ายเป็นรูปเสียงกินรถต่างๆทําร้ตเป็นสี่ค่ะพรอาจารย์ยอมรับค่ะสาธุค่ะขอบพระคุณค่ะ ไปที่กุลีเสียชากุลีหายไปนานเหมือนกันนะกุลีเื่อเข้ามาไม่ได้เดี๋ยวน้องสก า, านอาจารย์ค้องลูกเกือบสองเดือนแล้วค่ะมันพยายามเข้าแต่เข้าไม่ได้เลยลูกเข้าเลสแต่วันนี้ตั้งใจมากสองทุ่มสามนาทีกดเข้ามาเลยเ <laughs> ค่ะค่ะก็แค่มาขอกราบอาจารย์แล้วค่ะ จะลึก <Okay. S 2> ถึงหรือจะเหมอเจ้าค่ะสบายดีพระอาจารย์หนูหนูสบายดีนะนนคะหนูมีคําถามนิดหนึง่งจะชอบงงกับคําว่ากิเลส ก, กับตัณหามันมาซ้อนกันแล้วค่ะตัวเดียวกันนะกิเลสมันห oh. มายถึงความโลภโกรนหลงก็เรียกกิเลสเวลาโลภ ก, ก็เป็นกิเลสเวลาโลกรนก็เป็นกิเลสเวลาหลง ก, ก็เป็นกิเลสเวลาอยากก็เป็นกิเลสตัณหาก็คือความอยากความอยากความโลภ ก, ก็ตัวเดียวกันนะอืม hmm. hmm. แต่เขาเมันจะใช้คําู้นีคู่กันตลอดกิเลสตะนะ่านๆใช่คกิเลสตะนะ่างแล้วตอนนีนมนมม้มันก็มามายถึงมันมากส่วนใหญ่เราะจะมีกิเลสตัวนี้มากกว่าตัวอื่นไงความโลภความอยากเนี่ยอยากได้นู่นอยากมีนี่ความโกรธมันจะมีน้อยหน่อยมันจแล้วมันไม่บ่อยมันความโลภความอยากค่ะค่ะค่ะเข้าใจค่ะสาธุนะคะสาธุ ไปที่คุณชาญชาญสปอนใช่ไหมชาญได้ยินไหมหนังสือคุณชาญสอพรอร์สีทับเก้าทับสิบเอ็ดได้ยินไหมชาญนอนหลับมั้งไปที่ที่คุณตุ๊ดตูก่อนนะทางหนาแล้วมัส ก, การค่ะพะอาจารย์ เป็นยังไงค่ะวันนี้ไปหาหมอค่ะพระอาจารย์อืก็อ่าวันศุกร์ต้องทําคีโมค่ะอมก็หนูจะเรียนพระอาจารย์เรื่องข้อสอบค่ะวันนี้หนูลองเทดสอวเองดูค่ะว่าถ้าออกข้างนอกโดยไม่ใส่หมวกแบบหัวละล้านหนูจะเป็นยังไงค่ะพระอาจารย์อืมก็โอเคค่ะรู้สึกสบายดีมีความสุขค่ะแล้วก็ไม่ได้รู้สึกสนใจว่าใครจะมองเรายังไงค่ะคนอื่นเขาก็ไม่สนใจเราหรอกเราไม่ใช่ S <S ใช่ใช่ค่ ะ, ะหนูรู้สึกเออดูงี้ถอดหมวกตั้งนานแล้วคิดว่าเราเป็นแม่ชีแล้วนี่ใช่ใช่ค่ะอาจาร<ม>แล้วก็หนูก็เลยลองลอลองเทสตัวเองดูแล้วเสร็จหนูก็เลยตั้งใจว่าเดี๋ยวถ้าเกิดว่าจบคเโมแล้วอะค่ะหนูก็อาจจะไว้ผมทรงนี้นะค่ะแต่ ถ, ถ้าเกิดว่าไปทํางานหรือติดต่อใครก็อาจจะมีวิกไว้สํารองอะไรคะ่ะนิดหน่อยหน่อยทาแล้วแต่หน้าที่ก็แล้วกันหน้าที่ต้องมีผม่็ใส่ผมไป ก็อาจจะอาจจะมีวิสสำรองไว้ค่<ช>พะพอาจารย์แต่ไม่ล่อยต้องคิดว่าโกนผมอะ่ะเราเราเราดีกว่าเพราะว่าวิ์เราใส่ไปเจอคนอาจจะแค่แบบนานๆครั้งอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์อื ม, มคนทำได้สบายโลไม่ต้องสระไม่ต้องอะไรไม่ต้อ ง, องใช่ใช่ค่ะพระอาจารย์เหมือนมันเหมือนพระอาจารย์บอกว่ามันตัดภาระไปได้ค่ะพระอาจารย์แล้วก็หนูก็เลยนึกว่าทำไมพระพุทธเจ้าท่านถึง ให้ให้พระหรือว่าแม่ชีต้องโกนผมโกนคิ้วหนูเข้าใจว่าพอเราเราไม่ไปสนใจกับความสวยงามแล้วเราก็จะได้มีเวลาปฏิบัติแล้วก็เราละตัวละตนได้บ้างค่ะพระอาจารย์แบบนั้นนะคะอ่าดีค่ะแล้วก็วันศุกร์หนูต้องให้เคมคิดว่าผลจากเคมหนูหน้าน่าจะเจ็บมากเลยค่ะจะเจ็บหน้าอกแล้วก็จะปวดร่างกายก็เลย กำลังงานพระอาจารย์ว่าคิดว่าน่าจะเป็นข้อสอบหนูต่อไปค่ะในเรื่องของความเจ็บค่ะพระอาจารย์อต้องอยู่กับมันให้ได้ยอมรับมันจะไปปฏิเสธมันค่ะห้าเข้าสมาธิใช่ไหมคะให้ดูความเจ็บไปเลยก็ดีถ้าทําได้ถ้าทำไม่ได้ไไดเข้าสมาธิไปก่อนก็ได้เข้าเข้าออ ก, ออกได้ใช่ไหมคะพระอาจารย์อา่อาต้องเออกได้ค่ะแล้วก็เอหนูจะรบ ก, กวนถามพระอาจารย์นะคะ คำว่าสี้นกิเลต์อะคะ่ะความหมายก็คือว่าใจที่ไม่อยากใช้ร่างกายอะไปไปทําอะไรตามความอยากของใจอีกแล้วอย่างนี้ถูกต้องไหมคะพระอาจารย์มันมากกว่านั้นนะมันซึ่งมันมันไม่มีคามําโลคกรดหรอมค่ะก็คือไม่ใช่แค่ว่าอยากเอาร่างกายไปใช้ทำ น, นู่นทำนี่ตามใจนนแต่มันใจมันต้องสะอาดอ๋อเป็นส่วนนึ่งส่วนหนึ่งไม่ทั้งหมดใช่ไหมคะใช่มันมันต้องละ สังโยชน์ตั้ง 10, สิบน่งกิเลสเขาเรียกสังโยชน์สิบเนี่ยก็คือตามขั้นที่พระอาจารย์บอกอว่าโสดาบันลดไปสามขั้นอืานาคาสกาิทาแล้วก็จนถึงเป็นพระอาหารหันต์ก็ตามขั้นไปอย่างนั้นใช่ไหมคะใช่ใชค่ะแล้วก็อยากจะขอคําแนะนําพระอาจารย์ค่ะในเรื่องของการรับความโกรธคบางทีเวลาหนูคุยกับใครอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางทีเห็นไม่ตรงกันหนูก็ยังมีแบบเ อ, อความความโกรธความโมโหอยู่บ้างะคะ่ะหนูจะต้อง อใช้ปัญญาไปในทางไหนครับเพื่อให้หลังง่งความโกรธของตัวเองก็มันมีหลายวิธีถ้าเราพูดโธรพูโธรได้ก็พูดโธไปค<ะ>่ะอ้าถ้าน้า ใ, น ใ, นใช้ปัญญาก็บอกว่าคนเรามันก็มันก็นิจังความเห็นไม่เหมือนกันความเห็นเข<ะ>าอยากความเห็นเราอยากแล้ว<ะ>ก็เป็นอนัตตาเราไปควบคุมบังคับความเห็นก็ไม่ได้ก็า<ะ>เห็นอย่างนี้ก็เป็นสิทธิ์ของเขาเราจะเห็นอย่างนี้ก็เป็นสิทธิของเราไปค่ะ แต่ไม่ต้องไปยึดติดว่าเขาไม่เห็นตรงกับเราแล้วเราก็โกรธอีกใจรำคัญจจว่าเราไปอยากให้เขาเห็นตรงกับเรามันก็เลยทุกข์ถ้าเรายรับว่าความเห็นของเขาของเรามันต่างกันได้แล้วเราก็ไปบังคาญของไม่ได้ค่ะตอนเราก็จะไม่โกรธใช่เขาลบความเห็นของเขาไปว่านั่นเป็นเรื่องของเขาค่ะแล้วก็ตะกี้มีน่าจะเป็นของอ่าพี่ตายอ่ะค่ะ คุณตายที่ที่พระอาจารย์อแนะนําสั่งสอนไปทีเนี้ยมีคําว่าการถือตัวค่ะมันมันคืออะไรครับพระอาจารย์การถือตัวถือตนอย่างเงี้ยคือวันดีกว่าเขาเร็วกว่าเขาเท่าเขานี่ก็ถือตัวแล้วเนี่ยก็คือการเปรียบเทียบอย่างนั้นใช่ไหมคะพระอาจารย์การเปรียบเทียบหรือการเห็นว่าท่นเข็งท่านท่านสวยท่านงามฉันอะไรท่านรวยนี่ก็ถือตัวแล้วเนี่ยอ่าเพราะฉะนั้นคือเราหยุดเปรียบเทียบเพราะเราเห็นใครปุ๊บเรารู้คิดจะมาเปรียบเทียบกับเราคือให้หยุดเลย อ่เนือว่าถ้าจะเปรียบเทียบกันเหมือนกันเขาก็มีร่างกายเราก็มีร่างกายก็มีใจเราก็มีใจเหมือนกัน่ก็ไปในทางทำไปแบบนั้นดีกว่าทำทำดีกว่าค่ะพระอาจารย์ก็วันนี้ไม่มีคำถามแล้วค่ะพระอาจารย์โอเคสาธุค่ะแล้วกการใเมื่อกี้คุณชานหายไปเลยนะในเวลาไที่คุณกูนิ่งใช่กูนิ่งแปดสี่ศูนย์แปดกูนิงได้ยินไหม ว่ามาเลยเปิดใหมยังไม่ได้เปิดใหม่คู่นี้ <c oughs> ได้ยินไหมคะผ้าจานได้ยินนะได้ยินนะพอดีโทรศัพท์มันค้างรัศการผ้าจานจ้าผ้าผ้าจารย์อดีว่าะ้าจารย์พูดถึงความอยากความโลอภถ้าเรื่องงานเดีพระผ้าจารย์มัน มันเกี่ยวเกี่ยวด้วไหมครับอาจารย์เกี่ยชื่อว่านั้น <c oughs> นอกจากว่ามันมันมันจําเป็นถ้าหาเท่าที่จําเป็นก็ไม่ถือว่าเป็นความโลภเป็นความจําเป็นเช่นภาพบินทบายวันละวันละครั้งเองไม่ถือว่าเป็นความโลภเ <c oughs> พราะไม่บินทบายก็ไม่มีกินแล้วไม่ได้บินทบาย ท, ทั้งวนันทั้งคืนนะั่นเองอาจารยถ้าบินทบาย ท, ทั้งวนันทั้งคืนกนะ็แอบวันโลกนะอ๋อครับาอาจารย์ เอามากเอามากกวความจําเป็นก็ถือว่าโลกถ้าเอาเท่าที่จําเป็นก็ไม่ถือว่าโลกก็เอาเท่าที่จําเป็นเท่าที่ไอเนี่ยได้อะค่ะพระอาจารย์แต่ทีนี้มันมันก็เป็นงานชิ้นใหญ่นะคะพอาจารย์เพราะว่าหนูทำหนูทํางานแล้วก็มันมันก็มีมันนึงก็มีเป้าหมายนะคะพระอาจารย์เพราะว่าเราต้อง ทมาทำท ำ, ทำเพื่อเพื่อที่มันจะได้ไม่ต้องทำบ่อยก็ได้ทำคนเดียวให้มันเสร็จไปแล้วก็จะได้หยุดงานได้่วครับอาจารย์แต่มันก็มันก็เกี่ยวกับคนอยู่ค่ะแต่เราก็เข้าใจค่ะอาจารย์ถ้าเราไม่ทำมันก็ไม่ได้นะครับอรย์ก็ถือ ว, ว, ว่าเป็นยังเป็นกรรมของเราอยู่อย่า ง, งตัดไม่ได้ ย, ยังต้องใช้กรรมอยู่ยังใช้กรรมอยู่ใช่ไหมครับอาจารย์ หนูก็คิดอ่เหมือนกันนะคะว่าหนูต้องใช้คำอยู่อะคะ่ะอืเอ่อเรายังเป็นที่ที่หวังภาษาของเราของเขาใช่ค่ะพระอาจารย์ยังเป็นที่ถึงของคนอื่นหรืออะไรประมาณ น, นี้เมื่อทีหนูก็อยากจะจะหยุดคือเคยคิดอยากจะมันคืออยากจะหยุดแต่มันได้ยุ่งเกี่ยวนะคะพระอาจารย์เพราะว่าเป็นเกี่ยวกับครอบครัวอะไรอยนี้ด้วยเราก็อยู่อยู่นิ่งไม่ได้นะคะพระอาจารย์บางทีมันเหมือนเราทําไม่สุดแล้ว พอมามามารู้อะไรอย่างเงี้ยเราเอ๊ะเป็นความอยากความโลภพอหนูได้ฟังเมื่อกี้เนี่ยหนูก็เอาอีกแล้วหรออะไรอย่างเงี้ยคิดอยากจะบางกีของพรขึ้นมาพระอาจารย์หนูจะทํางานชิ้นใหญ่แล้วหนูจะจบเลยอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นความโลภอีกหนูก็เข้าใจค่ะพระอาจารย์มันเป็นความอยากของเราอีกเหมือนกันนะคะแต่หนูก็ต้องก็ต้องได้ทำค่ะพระอาจารย์แ้ามันอยู่ในของพรจำเป็นยังไม่ถือว่าเป็นความโลภอ๋อค่ะพระอาจารย์มันก็คือ เขาอยากจำเป็นจะต้องเลี้ยงเขาอีก้ก็ต้องหามาหาพระอาจารย์มันคือมันคือมันจะเป็นต้องทําจริงอ่ะค่ะพระอาจารย์รแต่ว่าแล้วก็มันก็ทําอยู่ในกรอบแล้วก็ในสิ่งที่มันจะต้องถูกต้องด้วยอะค่ะพระอาจารย์ครับอยู่ในกรอบสิ่งทำอยู่ในกรอบของธรรมอะคือความพอดีครั บ, รบไม่มากเกินไปไม่น้อยเ ก, กินไปอ่าเพราะว่าถ้านหนูทําได้หนูก็ตั้งอยู่อยู่แล้วว่า ส่วนหนึ่งหนูจะแบ่งเพราะว่าปกติหนูจะแบ่งเป็นส่วนอยู่แล้วที่จะต้องแบ่งไปทําบุญด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับอาจารย์หนูก็ตังต้งจิตไว้อย่างนั้นอยู่แล้วนะค่ะแต่ถ้าไม่ไม่ทํามันคือไม่ได้ไม่ได้จริงๆคร่ระอาจารย์เพราะว่าเราต้องอืมช่วยทำมันเดืินร่ก็ต้องทําค่ะอาจารย์ใช่ค่ะหนูก็ต้องหนูก็ต้องทำํำอะค่ะอาจารย์หนูก็เลยว่าอ่ะโอเคอ่อเราก็ยัง มีกรรมอยู่อะไรอย่างงี้ต้องชดใช้ไปค่ะพระอาจารย์เพราะยังเปที่พึ่งของหลายๆคนอยู่ในพ่อแม่หรืออะไรอย่างนี้หลายเยอะค่ะพระอาจารย์แต่ก็ไม่เป็นไรเราก็ถือว่าได้ชดใช้ไปก็แค่นั้นค่ะเพียงแค่ว่ากําลังใจเราดีกายเราดีมันก็มันก็โอเคแล้วค่ะพระอาจารย์ก็ไปก็ได้ค่ะค่ะพระอาจารย์ทานบารมีไปก่อนแล้วกันยังภาวนาไม่ได้ก็ท่านสร้างทานบารมีไปก่อนทำบุญทําทานไปก่อน ค่ะ <c oughs> แต่ว่าหนูสวดมนต์ทุกวันนะคะพระอาจารย์ <c oughs> ก็วันละเกือบชั่วโมงแล้วก็คือพอทําได้ก็พยายามพูดโธแต่ว่านั่งสะพานที่เนี่ยคือจะน้อยหน่อยบางทีมันใช้ความคิดเยอะแต่ก็คือพยายามทําให้มันได้มากที่สุดนะคะพระอาจารย์ <c oughs> เหมือนที่ตั้งใจที่จะไปฟังธรรมพระอาจารย์ไปได้ทุกอาทิตย์หนูก็จะไปได้เกือบทั้งปีแล้วจะมีอะไรหนูก็คือต้องไปให้ได้ก็คือต้องไปนะคะพระอาจารย์โอเคจ้ อ่อทำไปควบคู่กันไปทานสิ น, นพอค่ะพระอาจารย์ครับก็ไม่มีอะไรมากครับพระอาจารย์หนูก็ต้องทําต่อไปค่ะพระอาจารย์แบกต่อไปแบกต่อไปแบกต่อไปอาจารย์ค่ะพระอาจารย์เป็นไหค่ะขอบคุณคกะใครปอยได้แค่กันพระอาจารย์เฉ่งแรงนะคะอ่าสาธุคุณมลิกาจากนาลาทิวามาริกา นรันมัการเจ้าค่ะพระอาจารย์เป็นยังไง ก, ก็ทดสอบอารมณ์ได้ดีมากเลยค่ะพระอาจารย์บางทีนั้นไปเจอคำพูดที่มันหนักๆ ก, ก็สามารถผ่านได้แต่บางทีก็ว่าเอองงเหมือนกันว่าเออเราแต่ก่อนเราเคยอารมณ์ที่ว่าโมโหง่ายเพราะว่าตอนนี้เรารู้สึกว่าเออใจเย็นขึ้นนั่นก็คือสิ่งหนึ่งว่านี่คือธรรมะ ขององค์พ่อสามาสัมพุทธเจ้าแล้วเมื่อเราปฏิบัติถึงกระทนกระเทนไม่ได้มากเท่าไหร่เราก็ได้อยู่ในจุดนี้ก็ถือว่าเป็นทบคุณอย่างยิ่งเจ้าค่ะอาจารย์ลูกไม่มีคำถามเจ้าค่ะดีดีมากก็ทำต่อไปเพิ่มไปเรื่อยๆนะบ่อยวาง <อะ S 1> ให้มากขึ้นสาธุเจ้าค่ะคุณอุศนอาจาิง ค, คุณอุศต่อุศ อ่าพูดเหมสิอาพูดได้เลยกาลาสการ์ผูจา์ครับวันนี้ไม่มีคำถามครับผมโอเคครับผมอ่าสาธุสวัสทีคุณยินดีจากแคนซัสสวัสดีจางก็ลูกก็ไม่มีคำถามอะไรค่ะก็เรียนรู้จากกาลยานิมิทุกทุกท่านนะคะแล้วก็ศึกษาไปเรื่อยๆค่ะก็ไม่มีอะไรส่วนเดวิดก็ปัก บอกท่านอาจารย์กับท่านอาจารย์บอลสองเต้ค่ะเ็นเชิญาธุรขอบอคุณด้วยนะคุณท่านอาจารย์เปเสีูงค่ะท่านอาจารย์โอเคคุณปุ้ยรักเสมอทำน้ำสกันเจ้าค่พระอาจารย์คุณปุ้ยค่อยคะอาจารย์ สบายดีค่ะคุณปุ้ยก็เจอบททดสอบเหมือนกับพี่คนนั้นที่เจอเหมือนกัน mm hmm. แต่ก็คิดว่าใจเย็นลงเพราะว่านําธรรมะพระอาจารย์มาใช้พอดีว่า mm hmm. ไปเจอคนซึ่งนินทาเราแบบเขาคิดว่าเราเดินผ่านมาแล้วแต่ว่าเราอยู่ด้านหลังแล้วเราได้ยินคําที่เขานินทาแล้วเขาหัวเราะเยาะแต่เราก็ถามเขาออกไปถามอย่างใจเย็นว่า มีอะไรเหรอเขาไม่ตอบก็เลยบอกว่าก็นึกขึ้นมาในใจว่าหึ่ยอย่ากล่าวร้ายดีกว่าเออเราเปลี่ยนเขาไม่ได้เออจำคำอาจารย์พระอาจารย์สอนว่าเราเปลี่ยนเขาไม่ได้เราต้องถอยออกมาเปลี่ยนตัวเราดีกว่าก็เลยถอยออกมาแล้วก็บอกว่า เออโหสิกรรมนะกรรมใดใครก่อกรรมน้ำรับไปก็ก็คิดอย่างเงี้ยก็เลยแบบไม่ไม่ไม่ทราบว่าคิดถูกหรือเปล่าครับอาจารย์ก็นี่ต้องเฉยต้องปล่อยมันผ่านไปไม่ต้องไปยุ่งกับเขาเขาจะพูดอะไรก็เันดอบของเขาใช่ค่ะโยมก็เลยไม่ไม่ไม่ยุ่งไม่ไม่เกี่ยวแล้วเพราะว่าโยมก็คิดว่าเฮ้ยเดี๋ยวถ้าพูดเยอะไปเพราะคําอธิบายบางคํามันจะเหมือนกับการต่อกร โยมก็เลยถอยออกมาเออถูกต้องใช่เพราะว่าเราเราก็ถางไปก็ทําำถาต่อไปทําเป็นนคนหูลออกไปกงหมดเลยไม่ได้ยินนะพระยาพุธใช่ค่ะโยมก็เลยบอกว่าต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างทําเพราะว่าคุณทำอะไรคุณรู้เกิดอยู่กับใจถ้าคุณนินทาว่าร้ายคือมันก็จะอยู่ในปากของคุณเราเราก็คิดแค่นี้เราก็เลยถอยออกมา แล้วเรามไม่อยากหากเรื่องเพราะเราถือสินอยู่แล้วมันช่วงเข้าพรรษาก็เลยจําพระอาจารย์สอนไว้ว่าเออถอยดีกว่าดีกว่าจะไปตอก่อนอ่า uh huh. ยอมหยุดเย็นสามยอ่อใช่ค่ะได้ค่ะยมก็ยมก็คิดว่ายมทําถูกใช่ไหมคะพระอาจารย์ถูกแต่ยังไม่ถูกร้อยเอร์เซ็นยังไปยังไปตอกอ่อนยังาอยู่เนี่ <laughs> <laughs> ยังเว้นคนน่ะ ไม่ทุมาทุกข์อาวชาัน <c oughs> ยังเย็นไม่พอยังเย็นไม่พ อ, อยังยัง <c oughs> ไม่หมดก็ดีแหละยังยังได้สติหตัวก็ออกมาได้ค่ะยังดีไม่ต่อก่อนไม่พูดความยาวสาวความยืดจริงค่ะ <c oughs> เพราะว่ามันมันจะมีเหมือนตัวสติอะมาเตือนตลอดเวลาว่า อ, อ, อย่างอย่างพอดีเวลาที่จะมีอะไรเนี้ย มันจะมีสติมาเตือนเราแบบว่าเฮ้ยหยุดคิดก่อนอะไรอย่างนี้อย่าเพราะปกติเราเป็นคนใจร้อนเราจะใครพูดก็วิ่งใครพูดอะไรก็อ่นี้เดี๋ยวนี้ก็คือว่าจะคิดเยอะแล้วก็จะนิ่งแล้วแบบว่าอะไรไม่ใช่นี่คือเราจะไม่โวยวายเราจะเดินถอยออกมาเลยฮค mm hmm. ่ะวันธรรมะอาจารย์นะสอนพระอาจารย์สอนได้แบบดีมากเลยค่ะวันนั้นพอดีแบบว่า โยมก็จะเดินไปช้อปปิ้งแล้วแบบมันเกิดอะไรกอไม่ก็เดินเข้าห้างไปแล้วแบบห้างอะลามแบบดังกำลังจะไปช้อปปิง้งชอปไม่ได้เลยต้องกลับบ้าน <c oughs> แบบเหมือนกับอะลามไฟไหม้อะเขาดัง <c oughs> อะดังม า, มากเลยอะ <c oughs> เลยนึก <c oughs> ถึงพระอาจารย์บอก <c oughs> โอสงสัยเดี่ยวพระพุทธเจ้า บ, บอกกับเราบอกให้กลับบ้าน <c oughs> <laughs> เลยไม <Okay. S 1> ่บอกโอ้โหตั้งแบบเราสงสัยเราเนี่ยทำผิดแล้วเราเดินมาช้อปปิ้งนั้นที่เราจะูอยู่ในสินให้ทรมดีมีมีเทวดามาเตือนมา่าดินกบ <laughs> ับแต่แต่แต่ถ้าฝลังที่นี่คือถ้ามีอะไรนิดนิดหน่อยๆเขาจะตกใจนั้เเราก็โดนเราก็เออรู้สึกสนุกฮะ เราไม่เห็นตกใจเลยแเราก็ทําไลฟ์อ่ะเราก็ทําเอาเอาเอาเอาวิดีโอมาจับน้นโงเออมดูสนุกดีอะไรอย่างงี้แต่คนที่นี่แบบเขาไม่ค่อยมีเรื่องอะค่ะเขามีอะไรนิดหน่อยหน่อยเขาจะแบบเหมือนกับตกใจโอ้เหมือนเรื่องใหญ่หือเรื่องโตอะไรอย่างเงี้ยแต่เราดูเหมือนกับเป็นเรื่องนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะโยมก็ไม่มีอะไรอะค่ะโยมก็สวดมนต์ไหว้พระแล้วก็นั่งสมาธิเพิ่มขึ้นทุกวันแล้ว เวลานั่งสมาธิโยมก็รู้สึกนิ่งนิ่งขึ้นค่ะดีมากทําต่อไปนะทําให้ว่างว่าขึ้นค่ะจะไม่เคยหวังว่าเราจะไปเห็นนรกเห็นสวรรค์เหมือนชาวบ้านเขาหรือว่าขอให้สงบก็พอไม่ต้องไปเห็นอะไรมากโยมก็ไม่ไม่เอาเล่นลิฟเล่นอะไรไม่เอาค่ะโยมขอแค่สร้างบุสร้างธรรมให้สิ้นแค่สิ้นกิเลสกอพอนะให้กิเลสหมดไปจากใจก็พอ อช่โยมก็มารับพลังจากพระอาจารย์แล้วก็มาส่งกันบ้าน ม, มารายงานตัวมาถวายบุญกับพระอาจารย์เจ้าค่ ะ, อะขอให้สุกไปจเจริญยิ่งขึ้นไปนะาขอให้พระอาจารย์คาดขันแข็งแรงสมบูรณ์เจ้าค่ะอ่าสาธุจ่ า, จากราบขอบพระคุณเจ้าค่ะอ่าขอให้ร่ำรวยสวยไม่สั่งมายไม่ลุเลย์สาธุจา่าน้องร <c oughs> ับพรเจ้าค่ะ <c oughs> <c oughs> มาเล่นจกหัวยอ่ะพระอาจารย์ถกหัวยเที่งวันอ่กลัวยเทีมงวันฮ่าเ่า่า่นะอ่าบายลิคุณสวินตอนต่อแมรี่ลินกรรมวสการพระอาจารย์เจ้าค่ะวันนี้โยมก็มาเมื่อเกิดนิสานจะเอาข่าเข้าเข้ามาในในสู่เมื่อเกินิอ๋อเหรอคะยยมไม่ได้ติดต่อเขาเลยค่ะตั้งแต่ลูกสาวเขาย่า อแล้ววัสนี้วันนี้เขานั่งสมาธิได้ชั่วโมงลยึ่งว่าทำทุกวันอูยิ่ดีเขามากเลยยมก็ยังคิดเลยว่ายมน่าจะติดต่อเขากับยีงบ้างว่าเขาเป็นยังไงบ้างบ้านก็อยู่ใกล้กันไม่เคยไปหาเลยอยู่ืองเดียวกันนะใกล้ๆกันนอยู่ใกล้มากเลยค่ะขับรถไปไม่น่าเกินสิบนาทีเวลาที่ยมขับรถไปซื้อกับข้าวก็จะต้องผ่านผ่านบ้านเขาตลอดอืมแต่บ้านเขาก็แยกเลี้ยวซ้ายยมกับเลี้ยวขวา วันนี้โยมก็เข้ามารับพลังเหมือนกันค่ะเผือ่อว่าอาทิตย์ที่ผ่านมายมปวดหลังทางอาทิตย์เลยะอะเผื่อว่าคุยกับพระอาจารย์วันนี้แล้วเดี๋ยวโยมจะหายสักครึ่งหนึ่งตอนนี้ดีขึ้นแล้วยังก <c oughs> ็ยังปวดอยู่เลยค่ะพระอาจารย์โย ม, มว่าอาจจะเป็นออฟฟิศซินโดรมหรือเปล่าไม่รู้อะค่ะนั่งอยู่ทา่านั่งนั่งนั่งมากๆก็จะเป็นได้ค่ะพระอาจารย์ก็ปวดเริ่มจากปวดคอแล้วก็ปวดแขนปวดหลังลงไปถึงข้อเท้าคราวนี้มันปวด ซีกหนึ่งแล้วคราวนี้มันเลื่อนไปอีกซีกหนึ่งก็เลยก็เลยไม่ค่อยปฏิบัติเท่าไหร่นะะอาจารย์ที่ยผ่านมามันเจ็บอะค่ะก็มารับพลังจากพระอาจารย์เผื่อว่าดีขึ้นแล้วจะได้ปฏิบัติต่อได้ก็ต้องยอมรับกับความเป็นจริงเลยมันจะเป็นก็ห้ามมันไม่ได้ก็ต้องปล่อยเป็นไปใจารย์เราอย่าไปทุกข์กับมันก็แล้วกันอาารย์ก็เดี๋ยวก็คงดีขึ้นนะคะมันก็ไม่เที่ยงค่ะ ก็ <Okay. S 2> พยายามมาเขาข่มคะ่ะพระอาจารย์วันนี้ไม่มีคำถามกับอาจารย์เข้ามากราบพระอาจารย์ค่ะยินดีต้อนรับจะ้ะคุณจิ๊บเราหน้ า, นานเดี๋ยวก็ะเถิบเขียวด้วยนะขอให้พระอาจารย<อ>์สุขภาพแข็งแรงนะค ะ, ะอา่ไปที่คุณชัยเนตรสอนชัยเนตรหน่อยคุณหน่อยกราบวัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะอืมีอะไรไหมมีนิดนึงเจ้าค่ะมะขามป้อมจิ้นพริกเกลือได้ไหมเจ้าค่ะ ได้มาขามป้อมนี่เป็นถือว่าเป็นยายาถ่ายยาระบายจิ้มพริกเกลือได้ไหมเจ้าค่ะได้พริกก็ได้พริกก็ปัญญาเกลือก็เกลือก็ไม่ได้เป็นอาหารก็ใช้ได้น้ำตาลก็ได้พริกกับเกลือใส่น้ำตาลด้วยกันเลยรสดีได้ไหมเจ้าค่ะฮร<ะ>ส ด, ด, ดีได้ไหมเจ้าค่ะรสรสดีเจ้าค่ะรส ด, ดีมันเป็นเครื่องปรุงหายลงไปได้ <c oughs> ใช่ค่ะสาอย่างสาอย่าง พริกเกลือได้อยู่พริกเกลือน้ำตาลเนี่ยชูดลดได้ไหมเจ้าคะ่ะมันจะใส่มันนทํำไมชูรสมันก็บอกแล้วมันมันเป็นการเสริมรสชาติก็เป็นกินเลยค่ะนะแต่ว่าสามอย่างนี้จิ้มพริกเกลือน้ำตาลได้ไดไดถือว่าเป็นเป็นยาเป็นของที่อนุญาตให้ให้ให้กินได้เจ้าค่ะคื อ, อเรื่องของเรื่องมันกินยากมากเลยนะเจ้าคะ่ะถ้าไม่จิ้มพริกเกลือนี่แต่กินเยอะก็ไม่ได้เจ้าค่ะปวดท้อง เพาะว่าอดข้าวก็อย่าไปกินมันไม่ดีกว่าเลยอดทัยงที่าจะไม่กินแล้วไปกินอย่างอื่นแทนทําไมมันก็มันก็ไม่ได้อดอย่างนี้เอาแต่ดื่มน้ําอย่างเดียวไปเลยดีกว่าหรือเอาน้ําพึ่งน้ําหวานอะไรพอประมาณพอให้มีมีพลังงานหน่อยเอ่ของกินของกินของขอบของเคี้ยวนี่ไม่จําเป็นก็อย่าไปกินมันดีกว่า จ้าค่ะคือเรื่องของเรื่องไหนก็ลองกินดูจ้าคะว่าจะเป็นยังไงแต่กินแล้วปวดท้องจ้าค่ะเพราะว่าเหมือนเพิ่มกดในกระเพาะจ้าออย่าไปกินเลยแล้วอดข้าวเพราะเพื่อที่เราจะไม่กินแล้วเราไปกินอยา่างอื่นแทนมันก็เหมือนก็ไม่ได้อดพอดีที่เขให้กินเพราะว่าถ้ามีเป็นเป็นยาให้กินเช่นเวลาไม่มันมั น, ม, น, ม, นมันท้องผูกอะไร้ขาให้กินพวกสมองเกี่ยวกับระบบขับถ่ายใช่ไหมจ้าค่ะถ้ามันไม่เป็นอย่าไปกินมันเลย คพ<ป>กินแล้วแสดเป็นกินเละแต่ไม่มีเหตุผลที่จะกินเพก็แสดงว่าโลภอยากกิ น, น, ก อ, ยกกนอยากลองดูเจ้าค่ะว่าจะเป็นยังไงพอลองแล้วอย่างที่บอกก็ค่ะเหมือนกับเพิ่มกฎในกระเพาะเจ้าค่ะเพราะว่ามันมันเป็นผลไม้รสเปรี้ยวอันนี้ไหนไม่ได้จิ้มพริกเกลือเจ้าค่ะก็ะะเลยจะลองถามพระอาจารย์ดูทอดอดข้าวอย่างที่บอกพระอาจารย์มันจะท้องผูกปันสองวันประมาณนี้ค่ะแต่ก็ วันอื่นก็ธรรมดาก็ปกตินะคะถ้าไม่เป็นเพราะเราไม่กินข้าวลงไปมันก็จะไม่มีอออกมาเออค่ะก็ไม่ผอมลงนะจ๊ะแต่ไม่ถือว่าผูกหรอกมันแสดงว่ามันไม่มีเราไม่กินเข้าไปมันก็ไม่มีออกมาเ้อค่ะถ้าอาจารย์คือพอดีไหนถือศีลวันอังคารกับพุธแล้วทีเนี้ยมันไม่ตรงกับวันโกนวันพระวันโกนพระจะเลื่อนไป เราถือวันไหนก็ได้ที่เราสะดวกรู้สึกผิดเจ้าค่ะไม่ผิดหรอกวันนั้นเป็นเพียงแต่ที่เป็นวันพักเพราะว่าสมัยก่อนเขาให้หยุดทํางานวันพักกันเงี้ยมายนี้เราไม่ได้หยุดทํางานวันพกกันแล้วเราหยุดเสาร์อาทิตย์ยังไงเราเอาวันวันที่เราหยุดทํางานหรือวันที่เราสะดวกเราก็รักษาสินไปแทนพอนพักได้เจ้าค่ะถ้าอย่างนั้นก็สบายใจขึ้นมาหน่อย <laughs> มีคำถามสองคำถามเจ้าค่ะโอเคทำต่อไปนะจ้าค่ะโอเคท่าทุทกคณสภัฒนาจากบอวินชนบุรีเกาในมัการพระอาจารย์เจ้าค่ะเอ่อวันนี้ตอนเมื่อฟังทำเมื่อตอนบ่ายได้คำตอบตรงที่ว่าถ้าทําเออหมาเราไม่สบายเราพาไปหาหมออันนี้รักษาได้แต่ว่า ถ้าเผื่อว่าเขาจําเป็นต้องผ่าตัดแล้วบางเอิญเขาอายุเยอะแล้วนะคะ่าอาจารย์ขออนุญาตถามอาจารย์ว่าสมมุติว่าถ้าเขาวางยาแล้วบางเอิญเขาไม่ฟื้นอันนี้มันจะบาปไม่หรอกไม่บาปแต่เพราะมันเป็นการรักษาเป็นการไม่มีเจตนาที่จะไปฆ่าของช่วยเขาทําด้วยความเมตตานะค่ะเพราะว่าถ้าเราไม่ผ่าเขามันก็เหมือนกับว่าเขาก็น่าจะลําบากกว่าที่ที่เราอืม พาพาดีกว่าไม่ผ่าเจ้าค่ะเพราะย์นั้นแหละเราก็ทําเพื่อเขาทําให้เขาได้อยู่ทำประโยชน์ให้เขาไม่ได้เป็นทร้ายเขาเจ้าค่ะแล้วอันหนึ่งคือวันนี้ที่พระอาจารย์เทศเรื่องเออ่ตัวเราไม่ได้ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราฟังแล้วเหมือนกับมันเข้าใจมากขึ้นก็ทําให้อยากปฏิบัติมากคือเจ้าค่ะอาจารย์ก็มากังวลอาจารย์ด้วยอะนี่ อ่าเพื่อปฏิบัติไปเรื่อยๆนะนเจ้าค่ะตัวเจ้าคอ า, าจารย์พร้อมคุณเจ้าค่ะไปคนจิบต่อยจิบแมริแลนด์กลับนมันส ก, การค่ะพระอาจารย์พระอาจารย์ได้ยินยมไหมคะได้ยินชัดเจนได้ยินค่าพระอาจารย์สบายดีนะคะสบายดีจา้าคือยมมีคำถามค่ะพระอาจารย์ถ้าว่ราโยมนั่งสมาธิพอบางทีนั่งปุ๊บ มันจับลมหายใจไม่ได้เลยอะคะ่ะมันเบาจนมันเหมือนมันมันไม่รู้สึกว่าเรามีลมหายใจอ่ะคะ่ะเราก็พูดโธไปไม่ต้องไปสนใจลมหายใจได้ใช่ไหมคะเอาพูดโทอย่างเดียวก็ได้อยู่กับพูดโธรไปอ๋อหมายถึไม่ให้ใจเราไปคิดเรื่องนั้นแล้วดีค่ะแล้วถ้านั่งไปถึงจุดนึงเนาะมันเห็นเป็นแสงแสงหรือมันก็เป็นแดงไม่ต้สนใจไม่ต้องก็ไม่ต้องสนใจให้อยู่กับพูดโธ<ท>รไปให้อยู่กับพูดโธไปถ้า ถ้าพุทโธหายก็มาเริ่มลงหายใจใหม่หรืออะไรก็เริ่มพุทโธหายเพราะเราไม่ท่องมันก็หายเสิแสดงว่าสติเราขาดไปแล้วแ <c oughs> สดงว่าเราหยุดเราขี้เกียจนะสติขาดไปค่อ <c oughs> พุทโธหายก็ต้องดึงพุทโธกลับมาใหม่น่าจว่าส้าจิตมันสงบเน่งแล้วมันก็พุทโธก็หายไปยไม่เป็นไรค่ะ <c oughs> อาจารย์ค่ะถ้าถ้าโยมมีความอยากคือวันเมื่อวันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมายมข้ามไปน้ําตกในแองก้าฟอลที่แคนาดาค่ะอืมก็มันก็แบบแล้วเราแบบไปตื่นเต้นกับมันมันเราไม่เคยเห็นอันนี้ถือว่าเป็นแบบว่าารูปเสียงหินแล้วไปตื่นเต้นกับรูปลูกลูกของน้ําตกแต่มันสวยจริงๆนะเจ้าค่ะแต่มันก็เป็นสวยสวยแบบชั่วคราวสุขแบบชั่วคราวตอนนี้ก็หายไปหมดแล้วะ นะคะแล้วก็ก็คือเราก็ไม่ได้แบบเราไม่ได้แครี่เขาเรียกอะไรเราไม่ได้เอาอารมณ์นั้นกลับมาด้วยใจเป็นรแร<ต>งใช่ไหมแต่เดีมันอยากจะกลับไปใหม่เดย <laughs> มันมีค่ะมันมีอยากสะพานแล้วก็ลูกไปอันเนี้ยค่ะ อ, อ, <laughs> อยู่ก็อุ้ยแล้ว ก, แวก็แล้วก็ได้ไปวัดที่ที่นิวยอร์กฝั่งฝั่งตรงข้าม้ําตกอะค่ะแต่แต่อยู่ฝั่งนิวยอร์ก เป็นวัดโปรดเกตอะค่ะพระจาแล้วอะแบบเขาเป็นฟาร์มม้าเก่ายังไม่มีอะไรเลยอะค่ะแบบโปรดเบอร์อะไรก็ยังไม่มีถ้าเราแบบมีความอยากอยากอจะทําบุญกับวัดอย่างนี้ก็อันนี้ไม่เป็นความอยากอันนี้ไม่ผิดใช่ไหมคะไม่เป็นไรอยากทําบุญไี่เป็นมากเป็นเป็นการฆ่ากิเลสคืออยากช่วยวัดอยากสร้างกุฏิอยากอยากแบบอยากให้เขามีอนุนันนี้ไม่เป็นไรใช่ไหมไม่เป็นไรไม่เป็นไรอยากทําบุญอยากรักษาศีลอยากภาวนานี่ดี อยากเที่ยวไม่ดีอยากกินอยากเลวไม่ดีอ๋ออาจารย์โยมไม่ได้ทานไม่ได้ดื่มชาไข่มุกมาเดือนหนึ่งแล้วนะคะอ่ก็ตัดไปไม่ได้ดื่มไม่ตายก็ดีแล้วไหมไม่ต้องเสียเ ง, งินเสียยังยังยังรอดอยู่ค่ะยังรอดอยู่แต่ก็โหยหาบ้างเปน็น <Simon>. <笑><笑>อย่างนี้พอมันเดือดก็มันติดถ้ากลับไปดื่มมันก็ต้องดื่มไปเรื่อยๆเลิกได้แล้วก็เ <warmer. S 1> ลิกไปเลยอย่าไปดื่มมันเลย มันเป็นน้ําตาลนี่มันคือน้ําตาลมันคือยาเสพติดแบบรุนแรงมากเลยค่ะอาจารย์ดื่มน้ําำตาดลเยอะค่ะน้ําตาลมันจะทำให้ทำให้น้ําตาลขึ้นในน้ําตาลในเลือดขึ้นเองเดี๋ยวก็ยุ่งเีงใช่ค่ะตอนแรกก็แบบบอกเพื่อนบอกว่าชีวิตเรามันขมเยอะแล้วขอเอาความหวานก็เพื่อนบอกเดี๋ยวก็ได้โรคมาด้วยน่ะไม่ใช่ความหวานอย่างเดียว ค่ะว่าเจ้าวันนี้ยังไม่มีอะไรค่ะก็มาเติมพลังได้สนานกาแฟจ้าก็เป็นพลังบวกไปทั้งอาทิตย์เลยค่ะวันนี้อที่ทำงานแล้ยู่บ้านอยู่ที่ทํางานแล้วครัอาจารย์ยมหอเหี่ยวใจพอปิดเทอมเขาให้ทําที่บ้านได้พอเปิดเทอมปุ๊บก็ต้องกลับมาทําที่ออฟฟิศหมดแล้วเจ้าค่ะค่ะค่ะประนอมสักการณ์ค่ะอาจารย์ใช่เจ้าค่ะอ่าระอาจารย์ทักแข็งแรงนะเจ้าค่ะค่ะ อะไที่กุนปาล์มเ่ไหร่เชนลามยอพระอาจารย์เจ้าค่ะเ อ, อเมื่อวันเสาร์นะเจ้าคะได้ถือสินแปดเจ้าคะแล้วก็แต่แฟนเขาก็เหมือนกัแบบเาก็ห่วงห่วงหนูเขาก็บอกว่าทานข้าวไหมทานข้าวไหมหนูว่าไม่ทานไม่ทานจนแล้ววันนั้นทั้งวันหนูก็อยู่แต่ในห้องนี่คะ่ะอม เหมืนเหมือนว่าพอพอมันพอมันอยู่คนเดียวแล้วมันก็มีเวลาที่ได้ทํากิจวัตรค่อนข้างเยอะทั้งฟังธรรมนั่งสมาธิหลายหลายอย่างนะคะ mm hmm. พอตกกลางคืนนะหคะห น, หนูก็ได้มาเจอสภาวะที่พระอาจารย์บอกว่าตกกลุ่มตกบ่อสักประมาณสองทุ่มกว่าแต่ว่าเหมือนกับโดนผลักเอาผลักไปปุ๊บแล้วมันก็มันก็ทุกอย่างมันก็มืดแล้วมันก็ซาบซ่างไปหมดมันก็เลยจําจําอารมณ์อันนั้นเอาไว้อ่ะคะ่ะ แต่ว่าก็ไม่ไม่ได้ไม่ได้อยากเป็นหรืออยากอะไรนะแค่แค่รู้สึกว่าอ๋อถ้าถึงตรงนี้แล้วมันก็จะเราก็ไปอีกระดับหนึ่งก็เลยมีความคิดว่าอ๋อถ้าอย่างนั้นที่เคยอยากว่าบรรลุโซดาบันเอาเอาถึงสูงหน่อยเอาถึงนิพพานชาตินี้เลยแล้วกันน่าจะพอพอพอทําได้ถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรก็เก็บเกี่ยวเอาไว้อีกอีกภบหนึ่งอะไรเงี้ยเจ้าค่ะทีนี้หนูมาหนูมา ช่วงที่หนูบอกพระอาจารย์ว่าหนูหนูลาออกจากงานแล้วหนูไปได้งานใหม่กับ ต, ตอนนั้นน่ะหนูก็หนูก็สองติดสองใจเพราะว่าส่วนหนึ่งเน่ยที่หนูไม่อยากลาออกเพราะว่าหนูก็อยากไปถวายอาหารที่วัดกับพระอาจารย์ทุกทุกวันไงคะ่ะแต่ว่ามามามาติดใจตรงที่พระอาจารย์เทศเรื่องของการยึดติดมันก็เลยแบบเข้าใจมากขึ้นแล้วก็ไปเปรียบเสมือนกับที่เป็นนิทานมัค่ะพระอาจารย์เรื่อง เรื่องพระองค์หนึ่งท่านหงจีวอแล้วอีกชาตินึงท่านก็เกิดมาเป็นอะไรสักอย่างที่ประกอบจีวอนนะคะผมก็เลยคิดได้ว่า<ม>อ๋อถ้าอย่างนั้นเราก็มันมันก็คือเรื่องของการยึดติดกับไม่ยึดติดถ้าไม่ยึดติดมันก็จะสามารถปล่อยวางได้อันนี้ก็จะเป็นเรื่องเรื่องหนึ่งของอริยสัจ ส, สีด้วยไหมเจ้าคะ่ะคือการยึดติดเนี่ยมันมีสิ่งที่เราควรจะยึดติดกับสิ่งที่เราไม่ควรจะยึดติดนะยึดติดการปฏิบัติเนี่ย ยึดได้ไม่เสียหายยึดติดกับการทําบุญทําทานรักษาศีลภาวนาเน้นต้องยึดติดเห็นถ้าไม่ยึดติดไปไม่ถึงนิพพานเข้าใจไห ม, มให้มันถึงนิพพานก่อนแล้วค่อยหยุดถ้ายังไม่ถึงนิพพานก็อย่าเพิ่งหยุดดังนั้นการตามพระจารย์อย่างเช่นการมาทําบุญทุกวันการฟงังธรรมอันนี้ก็ถือว่าเป็นการยึดติดในทางที่เป็นทางดีถ้ามันทําให้จิตใจเราจเจริญขึ้นมันก็ดี แต่ถ้าถ้าติดแต่เฉพาะตัวบุคคลแต่จิตใจก็ไม่ได้ดีขึ้นแต่อย่างใดเพียงแต่ไปยึดติดกับตัวบุคคลนี้มันก็ไม่ดีต้องดูที่ผลผลที่ได้จากการยึดติดทําบุญทําทานลราใจเราปล่อยวางได้มากขึ้นหรือเปล่ปาคลายความตันหนีได้มากขึ้นหรือเปล่ปาคลายความ แ, แล้วก็เรื่องทําบุญทำทานก็ไม่จําเป็นจะต้องทําบุญอย่างองค์นั้นองค์นี้เสมอไป อ้าโอกาสไม่มีที่จะทำกับองค์นั้นองค์ น, น, นี้ทำกับองค์อื่นก็ได้ทํากับผู้อื่นก็ได้แต่ให้ทําต่อเนื่องการทําบุญไม่ควรจะหยุดถ้าไครเคยทําอยู่แล้วก็ทําต่อไปทําควบคู่กันไปนะเจ้าคะจับการปฏิบัติอือหนูก็กะว่าถ้าถ้าหนูต้องเดินทางไกลมากขึ้ น, นอาจจะอาทิตย์หนึ่งไปใส่บาตรพระจันทร์ที่บ้านอำเภอแล้วก็ในทุกๆวันนะคะตอนเช้าประมาณหกโมงครึ่งจะมีพระมาบิณฑบาตหน้าหมู่บ้านคิดว่า จะใช่วิธีนี้เจ้าค่ะหรือถ้าไม่มีพ้าก็เอาเงินที่จะใส่บาตรใส่กระปุกไว้แล้ววันวันเสาร์อาทิตย์ที่เรามาทำบุญทีก็ทำทีเยอะๆไปเลยก็ได้เจ้าค่ ะ, คะก็ก็คิดว่าประเมินเราจะขค่ะประมาณสงปีเช้าปีที่สี่หนูหนูเป็นผู้เป็นคนมากขึ้นเจ้าค่ะกับอขอบพระคุณพอาจารย์มากๆเจ้าค่ะโอเคสาไปที่คุณวลดว ล, วลิเจนวลิ เก่ามรดการขนมก็ก็จะถักเออมันไม่เชิงจะถามสิมันจะแบบเรื่องความคิดตัวเองบางทีอยู่ไปอยู่มามันรู้สึกผิดถ้าเรากินเวลาเจอของอร่อยหรือเจอความสุขจากรุกร้นขลิดเสียงแล้วเราพอสัมผัสมันเออความสุขแต่หลังจากความสุขปั๊บ ม, มันรู้สึกเอะมันคือยาเสพติดนะเราหาความสุขเราจะคิดยาเสพติดอย่างนี้อีกแล้วหรอทรับที่มันไม่ขิดตีนท่าแต่มันรู้สึกแบบ ไม่สบายใจเล็กน้อยอย่างเงี้ยครับอาจารย์มันเป็นการมาตัญหาไงมันมีความแล้วมันจะทําว่าเราอยากอยากกิ น, นอยู่เรื่อยๆอยากกินในของที่เราชอบถ้าเรากินของที่ไม่ชอบแล้วมันจะไม่อยากกินเพราะกินเพราะความจําเป็นเงินเพราะจะต้องเลี้ยงร่างกายไปครั บ, ร บ, รบมันก็เลยกลายเป็นแบบอืมมันก็เลยพยายามหลีกเลี่ยงเว้ เพื่อหาความสุขจากอะไรพวกนี้โดยที่แบบอาจจะมีบ้างเล็กน้อยแต่พยายามแบบให้มันเพ่าๆลงประมาณนี้ครับผมให้มาหาความสุขจากการทำใจใสงบชะดีกว่าครับอืมแล้วยิ่งมีคาว่าห่วงห่วงเช่นแบบเออห่วงพ่อแม่ห่วงห่วงตัวเองห่วงตัวเองก็แบบเป็นแบบก็ไปหลงก็ไปหลงก็หลง เริ่มไปว่าเขาจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายถ้ารู้ว่าเขาต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายมันก็ไม่ห่วงห่วงมันก็หยุดไม่ได้ห่วงมันก็หยุดความแก่ความเจ็บความตายไม่ได้เก็ต้องพยายามเตือนใจเรื่อร่างกายของเราทุกคนจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายมันเป็นธรรมดาพอมันพอมันรู้ความจริงมันก็จะไม่หลงเมื่อไม่หลงมันก็ไม่ห่วงห่วงมันก็ห่วงก็ห้ามไม่ได้ฮะ ถไม่ให้เขาแก่ไม่ให้เขาเจ็บไมให้เขาตายไม่ได้ครับขาดปัญญาขาดปัญญาเราพยายามพิจารณาอนิจจังของร่างกายร่างกายเกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเป็นธรรมดาต้องพักผ้าจากการเป็นธรรมดาครับก็ว้สงสัยขาดสมาธิก ป, ปัญญาก็เลยกานปัญญาแปว่งไปแปว่งมา ปัญญาอะไรไม่เกิดเพราะไปคิดแต่เรื่องของกิเลสท้า น, นอก็ขอบพระคุณว่มากครับโอเคนะครับขอบคุณครับมาที่คนแอปแอปชื่งใหม่เชิญกดไหครัอบอ่าพระอาจารย์นมามสการครับผมไปยังไงว่ามนเลยคือ ผมเวลาผมนั่งสมาธิครับแล้วเวลาภาวนาพุโทโธอ่ะมันเหมือนอเส้นในสมองหรืออะไรเงี้ยที่ผมเคยไปหาพระอาจารย์อ่ะแล้วผมผมผมไปเยี่ยวผมเหมือนผมคล้องอคล้องพระคล้องพระพระเครื่องเห็นไหมฮะแล้วผมที่ผมนั่งยองไปดูเงี้ยแล้วมันทําให้เส้นประสาทแบบพวกเท้ามืออะไรเงี้ยมันแบบเป็นแป๊บแป๊แปเส้นๆเนี่ยครับพระอาจารย์แล้วเวลานั่งสมาธิอะไรเงี้ยครับแบบ มันเหมือนแบบเส้นในแบบอยู่ในสมองไงมันแบบคึบคับคับคับนี้ยมันมันแบบไอเนี้ยครับไม่ต้องไปสนใจมันอนะปล่อยมันไ ป, ไปมันจะเป็นยังไงครับให้เราอยู่กับพุทธโธพุทธโธพุทธโธไปครับบางบางครั้งจิตจิตมันก็นมาจับที่แบบความปวดความเจ็บนี่ยรัมันก็เลยแบบออย่าไปสนใจอย่าไปเกาะให้เกาะเด็กกับพุทธโธดีกว่า สมองมันจะเป็นไงช่างมันใช่ไหมครับอาจารย์มันไม่เป็นไรหรอกมันเราไปเราไปกังวลประทานขึ้นมาเองเองก็วาไม่นั่งเหมือนเป็นอะไรพอเป็นช่มันนั่งเป็นขึ้นมาันทีใช่ไหไม่ครับมันมันเป็นตลอดราจาแบบว่าถ้าอยากจะหายหมอมันเป็นตลอดบางทีหมอเอาจจะรักษาไม่ได้ก็ได้ก็ต้องอยู่กับมันไปถ้ามันไม่มันไม่ทำให้เราเสียหายเดือนละก็ไม่ต้องไปยุกมั ก็แล้วแต่เราถ้าเราอยากจะรักษาแเราลองไปหาหมออยู่ถามหมอเป็นอะไรรักษาได้ไหมครับพระอาจารย์ครับเข้าใจนะเข้าใจครับขอบพระคุณครับพระอาจารย์ <Okay. S 2> ไม่มีคําถามครับพระอาจารย์คือปฏิบัติตอนเนื่องอยู่ตลอดครับโอเคดีครับอาจารย์ปฏิบัดก็คือทําทําทานทุกวันรักษาศีลภาวนาครับอาจารย์โอเคดี อันนี้คุณชานสุพรฌานอยู่ที่ไหนประกาศนะครับขอบใจครับเออคือตอนแรกเพื่อนผมเรียกไปทํางานฟิสิครับ เ, เลยไม่ก็มีเรื่องจะถามเรื่องโทระเจ้าครับอืมทำเลยปัทญาพุทธภูมิครับถ้าเราพุทธภูมิแล้วถ้าปัถนาใหม่มันจะทําให้สําเร็จได้ไหมครับถ้ารออะไรนะ ถ้าลาพุทธภูมิแล้วขอปัทถนาใหม่แล้วมันจะทําให้มันพุทธภูมิสําเร็จได้ไหมครับคือพุทธภูมิเรืออัลัฐภูมิมันก็เหมือนกันนะ่ะมันก็ไปถึงที่เดียวกันคือพระนิพพานเหมือนกันครับงั้นตอนนี้มีพระพุทธเจ้าเราก็ไม่ต้องเราก็ไม่ต้องเราก็ไม่ต้องถือพุทธภูมิเพราะเรามีพระพุทธเจ้านําทางเราไม่ต้องคนหาทางเองก็ทําตามที่พระเจ้าสอนเท่านั้นเองก็ไปถึงนิพพานเหมือนกัน แล้วถ้าอยากจะปัสสาวะภูมเนี่คือควรพูมิภูมินี้มันหมายถึงตอนที่ไม่มีพระพุทธเจ้ามาสอนเราเราก็ต้องเราก็ต้องหาทางเองแต่ตอนนี้มันมีทางแล้วเราไม่ต้องไปหาให้มันเดินเดินตามทางที่พุทธเจ้าสอนเทนั้นเองก็ไปถึงนิพพานเหมือนกันครับครับถ้าเรามาเกิดในที่ไม่มีพระพุทธเจ้าสอนเนี่ยเราก็ต้องไปค้นหาทางเอง เนี่ยเราพุทธภูมิต้องทําด้วยตัวเองแตถ้ามีทางแล้วเราไปทำไปสร้างทางใหม่ไปใช้สีเวลาทํำไมมีทางมีทางให้เราเดินนะไม่มีประเด็นนะครับจะถามเรื่องแก้แบบเรื่องการตัดสินใจเรื่องพุทธภูมิให้ช่วยครับโอเคเนี่ยืม่ต้องไปกังวลเราพุทธภูมิเราเรียกว่าเอาอาตุต่ภูมิก็พอสาวกภูมิก็พอเหมือนกัน ไปถึงที่เดียวกันไปถึงพระนิพพานเหมือนกันง่ายกว่าเร็วกว่าเพราะมปคนบอกทางดีกว่าคำทางไปเองโอเคไปที่คุณน้องหลินแม่น้องหลินต่อพราจารย์ได้ยินหนุ่มัหมคะได้ยินแล้วตอนนี้ได้ยินแล้วเจ้ขาขาพระอาจารย์มีอะไรว่ามาเลยเ อ, อ๋อของหนูเ่รคะก็ ตอนที่หนูไประยองไปดูแลญาสามีใช่ไหมเจ้าคะคือปกติช่วงที่หนูยังไม่มีปัญหาเกี่ยวกับร่างกายใช่ไหมคะตอนเป็นพยาบาลหนูก็จะมีอาการเวลาเวรดึกอย่างเงี้ยก็จะง่วงง่ายใช่มไหมเจ้าคะดูแลคนไข้คือไม่ค่อยคือจะง่วงมากเป็นส่วนใหญ่แต่พอลองมาตอนที่เราร่างกายเราพังเนี่ยแล้วเราลองดูแลอ่ะญา สามีเนี่ยตัวตัวหนูเองเนี่ยจะมีอาการง่วงเพลียอะไรอย่างนี้หรือเปล่าเจ้าค่ะพระอาจารย์ก็เลยมาทดเหมือนเหมือนทดสอบตัวเองด้วยเจ้าค่ะพระอาจารย์พอดูประเมินกลายเป็นว่าแข็งแรงกว่าตอนที่ยังไม่ผ่าสมองยังไม่เสียร่างกายเจ้าค่ะพระอาจารย์มันเหมือนประมาณว่าถ้าเอ่อแต่ละวันแต่ละวันที่หนูไปดูแลเหมือนมันเหมือ น, นเป็นการพักจิตอะค่ะพระอาจารย์ คือไม่ได้มายุ่งเกี่ยวกับร่างกายมากไปเจ้าคะ่ะก็เหมือนทําสมาธิแล้วก็เหมือนไปชาร์จแบตอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วก็มาดูแลต่อมันเลยไม่มีอาการง่วงอย่างเงี้ยคะ่ะพระอาจารย์ที่หนูเอาไปไปใช้พอวันที่สองที่สา ม, ท, สามที่สี่มาก็ไม่มีอาการง่วงนอ น, น, อนแล้วก็เดินทางกับกรุงเทพโดยรถเอ่อโดยสารได้สบายแบบไปถึงก็ถือกระเป๋าหนักอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับร่างกายเจ้าคะ่ะพระอาจารย์ถึง ร่างกายมีปัญหาก็ตามค่ะก็ส่วนใหญ่หนูจะถ้ามีอาการรู้สึกเพียก็นั่งสมาธิอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์เหมือนชาร์จจิตตัวเอง ม, มีกลังใจแลมีกำลังใจแล้วมันทำอะไรได้เยอะแยะเจ้าค่ะพระอาจารย์คนก็เลยเขาคนข้างภายนอกเขา ก, ก็กลัวว่าเฮ้ยเป็นเกี่ยวกับผ่าสมองแล้วจะมีปัญหาโ น, น่นนี่ใช่ไหมคะจะหนูว่าเฮ้ยแตหนูดูลักษณะ ร่างกายพังแต่ทำไมแข็งแรงกว่าตอนที่ร่างกายหนูไม่มีปัญหาอย่างเงี้ยเจ้าค่ะพระอาจารย์เพราะเรามีธรรมะเราปฏิบัติตามสาธูเจ้าค่ะก็เลยว่าโอ้โหธรรมะโอสถนี้คือปกติหนูเวลามีปัญหาเพียก็กินไดเมนกินยาพาราปวดอะไรใช่ไหมเจ้าค่ะไม่ต้องกินแล้วประจุมานี้นถ้ า, ามีอาการปุ๊บ พระบุตรเจ้าชั้นใช้สมาธิใช้สติใช้ปัญญาสองตัวนี้กค่ะเจ้าขาพระอาจารย์ก็เลยบอกว่าโอ้หนูไม่ต้องกินยาไปทําให้ไตพังให้ตับพังอะไรเลยเจ้าขาพระอาจารย์กลายเป็นสุขกลายเป็นแข็งที่ร่างกายปกปักรีกเจ้ามาสดดีีท่สสุาธุเลยค่ะโอ้โหนอนหลับก็สบายอะไรทําอะไรแบบ สบายไปหมดเลยเจ้าค่ะพระอาจารย์ดลนโอเคนะสาธุคนะ่<อ>ะสาุค่ะพ่ะอาจารย์สบายดีคุณหมอสุทัศินีทุ่มทานีเป็นยังไงสบายดีแล้วสบายดีเจ้าค่นะน้ำสการท่านอาจารย์เจ้าข่าวนี่เจ้าข่าท่านอาจารย์รรยเป็นงานเก้าหน้าไม่ปฏิบัติคิดว่าเก้าหน้าเจ้าค่ะโอเค ก, ก, ก็ความสุขดีเจ้าค่ะ ทำถูกก็พยายามลดละตัดกิเลสไปเรื่อยๆนะแล้วค่ะท่านอาจารย์โอเคไปที่กรุงเทพมานอนเมืองเก่าธรรมสการค่ะพระอาจารย์มีอะไรวันนี้วันนี้หนูไปกล่าวหลวงปู่โบเกกับเพื่อนมาค่ะเพิ่งแลนดิ้งกับวันดอนเมืองเลยค่ะเมื่อกี้เมื่อกี้นี่ก็มีมีคนเข้ามาบอกก็ไปกลาวหลวงปู่มาไปด้วยกันแม่เด็กกลา แม่แม่ของพี่ป้าใช่ไหมใช่ค่ะพอรีบเข้าแล้วลืมเปลี่ยนชื่อคราอาาก็เลยมีชื่อใคร่าขึ้นขึ้นเครื่องไปเลยพอเช้ายันกลับสมายนี้ตัวฟรีใช่ไหมถ้าอย่างนี้ไม่ไม่ฟรีอ่ะฟรีเยโอเคท่านแข็งแรงไหมถ้าเอามารับแขกเข้าาไม่ตขั้นหลับไปกาบเฉยท่านํา้นหตัวท่านอยู่ในห้องนะใช่ค่ะ การยาเยอมากนะสังขายก็อย่างนี้แหละ <c oughs> การกราดท่านก็มีความสุขกันนะขอบเป็นมงคลอย่างยิ่งการได้เห็นธรร ม, มะนะตอนตอนแรกหมดเวลากราบแล้วคะพาอาจารย์แต่ว่าแจ้งเขาบอกว่ามามาไกลเขาก็เลยเปิดให้เข้าไปกราดอีกรอบหนึ่งให้เข้าไปในห้องเลยไมอยู่นอกห้อง จะเข้าไปเป็นในในกุฏิที่ท่านผาา่าตัดค่ะแล้วก็จะขา้างเขาจะกั้นเป็นห้องแบบสําหรับผู้ดูแลแล้วก็เราจะกักผ่านห้องกระจกนะะก็คือเห็นทนานอยก่ทกันอยู่ในห้องปลอดเชื้อไม่ให้คนเข้าไปใช่ค่ะมีรักษาทานขันท่านไว้อย่าไปรบควนมาก <c oughs> อมโอเคดีมากเมื่อไหร่เมื่อหล่เราจะมาบูชาพระพุทธเจ้าด้วยการปฏิบัติบูชาบ้างไปฏิบัติกฎกันคับพระอาจารย์ การสินภาวนานะใช่ค่ะยังถือสินแปรเดียวกัยังยังไม่ขาดกันโอเค อ, อาสวัส น, นีนะหวานแล้วใช่ไหมตอนนี้จอบอ่ะทีจอยมาทียาจอ ย, ยเป็นยังไง <c oughs> ไม่ชอบเข้ามาทีหลังมเมืลยยังไงตอนแรกหนูวันนี้มันเกิดน้องหนูก็คิดว่าหนูก็คิดว่าจะเข้าทันไหมแต่ว่าหนูลองเข้าดูเข้าทนะะันไหมคมพอดีแบบ เขาให้ไปช่วยทางกับเ้าค่ะแต่ว่าหนูไม่ได้กินอะไรกินถือกระกระก็หนูก็ไปใส่บาตแล้วก็หนูก็นั่งสมาธิก็ดีนะคะหนูนั่งแล้วเหมือนมันเหมือนมันเหมือนมันตกลุมหรืออะไรแต่ว่าพอมันหายไปมันมันโล่งอะค่ะอืมันสงบมันสต่มันได้ไม่นานค่ะเพราะว่าหนูยังไม่ได้ขณิกะใหม่ๆเขาจะคณิกะสมาธิได้แป๊บเดียวงูแลบลิ้นแต่มันก็รู้สึกรู้สึกดีตอนที่เรารู้สึกมัน ม, มันว่างอ่ะมันไม่มี ม, มันสบายใช่ค่ะอืแต่มันได้ไม่นานว่าฝึกสติไปเรื่อยๆนะฝึกสติ<ฆ>ไปบ่อยๆเดีย๋ยวต่อไปนั่งก็จะนั่งนานๆขึ้นนั่งให้บ่อยขึ้นก็เ อ, อตอนนี้หนูเข้าําษาว่าเช้ามาตื่นตอนเชาน้านั่งสมาธิขึ้ชั่วโมงเดินจงกรมเพิ่งชั่วโมงอยู่ก็เลยก็เลยได้เท่านี้ก่อนจะให้มากกว่านี้ไปดีทําไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆโอเคนะ ต้อเลี้งลูก <Okay. S 2> อ, อีกค่ะโอเคฝากด้วยตอนนี้ไปที่ใครคุณจุบ ม, มาเปล่าวันนี้ใครอ่านคําถามวันนี้ปอนครับปอนปอนนะปอนมีคําถามไหมวันนี้ดีครับหลวงพ่อครับกราบหลวงพ่อครับวันนี้มีสองคำถามครับโอเคคําถามจากทางเฟซบุ๊กคุณเดชา การฟังธรรมนี้เกิดปัญญาได้อย่างไรแล้วมาจากไหนครับเพก็ปัญญาเกิดความรู้ไงความรู้ที่เราไม่รู้ว่าก่อนเช่นอริยสัจสี่มรรคแปดนี่ถ้าเราไม่ได้ฟังธรรมเราก็จะไม่ได้รู้เรื่องราวเหล่านี้แล้วก็ปัญญานี้ก็มาจากพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นคนพบความรู้เหล่านี้รู้อริยสัจสี่รู้ไตรลักษณ์รู้มรรคแปดนีรู้ทางการปฏิบัติเพื่อให้หลุดพ้นจากความทุกข์ทางศีลภาวนา อันนี้เป็นสิ่งที่เราจะได้เรียนรู้จากการฟังเทศฟังธรรมเหมือนกับเราไปโรงเรียนน่ะเราไปโรงเรียนแล้วก็ไปเรียนวิชาคณิตศาสตร์แล้วก็จะได้เรียนรู้วิธีนับเลขเนี่สองสามบวกลบคูณหารี่ถ้าเราไม่ไปโรงเรียนเราก็จะนับเลขไม่เป็นบวกลบคูนหารไม่เป็นอันนี้ก็เหมือนกันเวลาเรามาฟังธรรมเราก็จะได้เรียน ร, ออ ร, ยรู้เรื่องอารยศาสตร์ศีเรื่องไตรลักษณ์เรื่องมรรคผลนิพพานอะไรต่างๆนี้ คำถามจากคุณแคทระหว่างที่เราไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับกรรมของคนอื่นกับการช่วยเหลือคนอื่นต่างกันอย่างไรครับอ๋อการไปช่วยเหลื อ, อเขานี้ไม่ได้เป็นการไปทํากรรมนะยัย ไ, ไหมการไปเขาเรียกเป็นการทําบุญการที่เราไปทะเลาะวิวาดไปไมีเรื่องเมลากับคนอื่นนะเขาเรียกเป็นการไปทํากรรมอันนี้ต่างกันคือคําว่ากรรมนี้หมายความว่าบาป ถ้าเราไปทําให้คนอื่นเขาเสียหายหเดือดร้อนนี่เรียกว่าเราไปทํากรรมให้เขาเสียหายหเดือดร้อนทําบาปแต่ถ้าเราไปทําให้เขาได้รับคุณได้รั บ, รบประโยชน์จากการการะทําของเราเรียกเป็นการทําบุญทําบุญนี้ทําได้แต่อย่าไปทํากรรมอย่าไปทําบาปเพราะทําบาปแล้วมันจะมีมีการผูกพันกันมันจะร้างแค้งกันโกรธเคืองกันอาฆาตพยาบาทกันกลายเป็นเจ้ากรรมนายเวงกันไป ทำบุญมันจะไม่จะไม่เป็นเจ้ากรรมในเบนในในเวรแต่จะเป็นคู่บุญกันทำบุญแล้วต่อไปข้างหน้าเขาอาจจะมาช่วยเหลือเราก็ได้วันนี้เราช่วยเนลือเขาอันข้างหน้าถ้าเราทุกอย่างเดือดร้อนเขาช่วยเราได้เขาก็เขาก็จะกลับมาช่วยเรางั้นทำบุญดีกว่าทำบาปอย่าไปทำกรรมขอลาแล้วโอเค<า>ไม่มีใครเข้ามาแล้วนะั้นมีใคร น้องเหลือที่อยากจะถามแล้วไม่ได้ถามแล้วอยากจะพูดไม่ได้พูดไหมน้องมีเวลาบ้างอยูน่นิดหน่อยเรื่องคงไม่มีแล้วนะวันนี้ก็เรื่องไหนคุณนิ่งคุณนิ่งจะพูดอะไรบ้าไม่ไม่พูดใช่ไหมอ่าพระอาจารย์คะอ่านยากสอบถามค่ ะ, ะ, ะ, คะเห็นพระอาจารย์บอกว่าคือไม่ไม่ค่อยได้ไปใส่บาตแต่หนูว่าจะหยอกกระปุก ทำบุญทุกวันนะคะพระอาจารย์ได้เหมือนกันแล้วเวลามาวัดก็คอยออกมาถวายทีเดียวพร้อมๆกันเลยแล้วแรืว อ, อ, อยากจะทําบุญที่ไหนก็ไปทําบุญได้อ๋อก็คืออันนี้ทํามาหลายปีแล้วค่ะก็จะโอนไปบริจาคกับโรงพยาบาลโรงพยาบาลสง่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะพระอาจารย์ได้ไดส่วนหนึ่งก <ขอ S 2> ็เราทำ <ไป S 2> ทุกวันทําให้มันติดไปในี่สัยไหมมันจะทําง่ายค่ะพระอาจารย์เพราะว่า ทำมาหลายปีแล้วแล้วคือทําแบบนี้อยู่ตลอดนะคะอาจารย์หยดทุกวันเพราะว่าไม่<ส>ไปที่ต่าใส่ตาเหมือนกันเหมือนกันเดีว่าเราทาบุญเหมือนกันได้ใช่ไห<ด><ช>มครับได้อ่ะอาจารย์โอเคนะค่าคุณอณนันต์งเชอนอนนต์อาจารย์ครับพดีว่ายอมรถามไปคำถามหนึ่งอานะทิตย์ที่ผ่านมายม มีอาการป่วยเป็นหวัดแล้วหายใจลำบากมาก น, นี่พอพยายามจะปฏิบัติด้วยขึเพื่อนอยังคอมีแรงมันมันจะแบบจักลมหายใจไม่ได้แบบนี้เราเราควรจะทำยังไงใช้พุทโธใช้พุทโธก็ได้่วนมนไปก็ได้อ่นตรสามสิบสองก็ได้เป็นกรรมฐานถ้าอันไหนไม่สะดวกเราก็เปลี่ยนอย่างอื่นไป ว่าแบบโอ้เขาหายใจไม่ออกก็คิดว่าอู้เดี๋ยวคำถามนี้ต้องมาถามพระอาจารย์แล้วก็ไม่คิดกก็ลืมแล้วก็พอมีคนบอกไม่สบายเลยนะึกขึ้นมาได้เวลาทําเพิ่มไม่ให้เราคิดฟุ้งซ่านถ้าเราไม่มีอะไรคอยกำกับใจเดี๋ยวมันจะคิดฟุ้งซ่านได้ถ้าดูดไม่ได้แล้วก็สวดอีทีพิโ SO ซไปก็ได้พูดโธรไปก็ได้อาการ32ก็ได้ได้ค่ะอาจารย์ข้างหน้าถ้ามีอาการไม่สบายจะได้ รู้วิธีปรับตัวค่ะพระอาจารย์ใช้ปัญญาก็ได้ร่างกายมันต้องแก่เจ็บตายเป็นธรรมดาออมันไม่ใช่ตัวเราของเรามันเป็นดินน้ำลมไฟและววันหนึ่งก็ต้องกลับมุ่นสูนดินน้ำลมไฟไปยังก็ได้พระอาจารย์โยมวันนี้ที่ขึ้นเชียงใหมโยมมีอานังสือกายกายคตาสติมาถวายพระวัดป่าที่นี่โอ้ท่านดีใจมากเลยครับเอ่านถึงดี ใช่่อบอกว่าเนี่ยหนังสือเล่ม น, นี้นะจะต้องสอนพระให้เอาใส่ย่ามปิด ก, กระเป๋าปิดไว้ย่ามวเสมอเลยเฉาะพระใหม่อะไรอย่างเงี้ยอยเลยถ้ามีหนังสือเี้ไม่เสจแน่นอน <laughs> ท่านก็พูดท่านก็พูดคล้า ย, าายว่าจาเลยว่าเล่ม น, นี้เอาพระใหม่อยู่แน่นอนอ <laughs> รักษาพระไว้ใค่ะยเลยือนีค่ะโอเคาอาจารย์ค่ะขอบคุณค่ะคุณจิมมีอะไรถามต่อ อาานขออนุญาตถามนะคะคืออ่าแทกเมื่อกี้ได้ยินอ่าน้องถามเรื่องยุ่งกรรมของคนอื่นนะคะถ้าสมมติเรามีเพื่อนเราเพื่อนเขามีปัญหากับสามีสมมตินะคะแล้วเราแบบไปช่วยให้ความช่วยเหลือเพื่อนเราสมมติสามีเขาไม่ยอมช่วยทั้งที่เขาช่วยได้แต่เราก็ไปช่วยเขาแทนเรา แ, แบบไม่ได้เป็นการทํากรรมเป็นการทําบุญทั้งสุดเราสร้างให้สามีเขาเกิดเขาไม่พอใจเราว่าเรามายุ่งกับภรรยาเขาทําไม แต่เท้าเขาก็ไม่ช่วยภรรยาเขาอะคะ่ะอันนี้ก็เป็นเป็นเวนเป็นกรรมไปกับเขากับซามีเขาเลยเขาอาจจะโกรธ เ, เกียนเราก็ได้แต่แต่เราไม่ได้ตั้งใจคือเจตนาเราแค่ช่วยเพื่อนแต่เขาคิดผลเขาไปเองแบบนี้เราก็ติดกรรมไปด้วยเหรอคะอาจารย์ก็เราไปทําให้เขาโกรธไงใช่ไหมแ ต, แต่แต่ถ้าเราไม่ช่วยเพื่อนเราทั้งที่เราช่วยได้เราก็ช่วยไปเสร็จแล้วเราต้องยอมรับว่ามันอาจจะมีผลผ ล, ผลกระทบ เป็นผลเป็นเป็นผลทางสติค่ะแต่จริงใช่ใช่ค่ะแต่ว่าความจริงก็คือสมมติถ้าอย่างที่โยงเคยได้ยินมาสมมติว่าถ้าเกิดศีลสมาธิปัญญาเราถึงปฏิบัติขั้นถึงขั้นหนึ่งถึงไหมเราจะมีกรรมกรรมที่จะเข้ามากระทบเรามันก็จะไม่มากเท่ากับเราไม่มีศีลไม่มีธรรมใช่ไหมคะอาจารย์บุ๊อเมือมันมันกระทบได้แต่ร่างกายแต่ใจมันกระทบไม่ได้ถ้าถ้าเราไม่ทำ ค่ะค่ะเข้าใจแล้วค่ะใจไม่ทุกไม่เดือดร้อนกับพ้นกับการจองเวรจองกรรมของผู้การร่างกายจะทุกขาก็ทำลายได้อยค่ะคือถ้าเราไม่ทุกไม่เดือดร้อนก็เราต้องเลือกอาว่าเราจะเอาไหมเรายินดีที่จะยอมยอมยอมให้เขามามีความไม่พอใจกับเราเพราะเราอยากจะช่วยเพื่อนเราอันนี้ก็แล้วแต่ ถ้าคิดว่าทำแล้วไม่ได้ไม่คุ้มเสียก็อย่าไปทำปล่อยให้เป็นเป็นกรรมของเพื่อนเข้าไปถ้าทำแล้วก็ต้องก็ต้องกล้าหาญยอมรับผลกระทบทียตาแต่ถ้าเกิดเขาไม่ได้ไม่พอใจอะไรเราก็ไม่เป็นไรใช่ไหมครับก็ดีไปก็ดีไปอมอืโอเคค่ะขอบคุณค่ะพระอาจารย์อางารย์นะจะคุณหน่อยออย่างนี้ ถ้าอาจารย์จ้าค่ะวันสมมติว่วันนี้เราถือสินแล้วทีนี้เราซื้อชานามไข่มุกมาไว้ตู้เย็นแล้วพรุ่งนี้มันจะเป็นกิเลสไหมเจ้าคะ่ะเรากินได้พรุ่งนี้กินได้อย่างเงี้ยจ้ค่ะก็เหมือนก็เป็นกิเลสมันทำไมต้องซื้อเผื่อไว้ด้วยอะก็คถ้าของมันไม่จําเป็นก็แสดงว่าเป็นกิเลสถ้าของมันเป็นของจาเป็นก็ไม่เป็นกิเลสแต่ไมนได้คิดมันถือสินไหมเจ้าคะ่ะอมัน มันก็คือเรื่องประเด็นเหมือนกับเราต้องอย่ามองข้ามเรื่องเล็กน้อยใช่ไหมเจ้าคะ่ะก็พรุ่งนี้ค่อยว่ากันค่อยคิดอีกทีใช่ไหมเจ้าคะ่ะก็มันเป็นเรื่องของกิเลสถ้ามันไม่เกิดไม่ตายก็ไม่ต้องไปกังวลกันไปพรุ่งไปพรุ่งนี้ถึงเวลาถ้าถ้ามันจะมีให้เรากินเก็ค่อยกิกนมันไม่มีกินก็ไม่ต้องกินมันท่านเองไปค่ะอย่างนี้แสดงว่าโลภแล้วยังไม่ถึงเวลาเตรียมเตรียมเตรียมการไว้ก่อนแล้ว พอพรุ่งนี้ออกจากสินปั๊บจะได้ดูดปั๊บเลยโลบเต็มทีอะไรเงี้ยพระอาจารย์หกมงเช้าแล้วค่ะกินเลยไม่ได้หรอกยัเน้นเน้นถือสินไปทำไมก็ไม่ทำไปถือมให้มันยุ่งยากปว่าถือเพื่ออดเพื่อไม่กินเพื่อเลิกไม่ใช่ไม่ใช่ถือเพื่อจะเตรียมตัวจะกินตายแล้วค่ะโอเคคือ ก็เหมือนเป็นข้อปฏิบัติเล็ ก, ลกๆแน่น้อยใช่ไหมเจ้าคะ่ะที่เราต้องแบบว่าใช่นะต้องพยายามเรืองเหมือนเสื้อคอรานนี่มันเป็นยาเสพติดนะว่กินถ้วยเดียวไม่มพอหรอกเดี๋ยวต้องมีถ้วยสองถ้วยตามม า, มาแล้วเวลาไม่มีกินแล้วก็จะเครียดจะทุกข์อาจารย์เจ้าค่ะจริงๆแยกจะพูดแทนหลายๆคนมากเลยนะชาตติดงเผมุกอะ่ะไหนว่ามันคือที่สุดนะเจ้าค่ะ เราไม่เจอไม่เจอสมาธิสมาธินี่นสุดกว่าอยเราไปเข้าสมาธิดูจริงจริงอุจ <ๆ S 1> <พ pracy S 2> จ า, ะจา่ะเหมือนน้ําเย็นแล้วมันหายไปแล้ว่เจ้าค่ะอืเนี่ยหน่อยไม่ไม่เข้าสมาธิไม่เข้าอารมณ์ไม่ตกอุ้มตกบอบแบบนานมากแล้วเจ้าค่ะมันเพราะมันไปติดในพวกนี้มันไม่เข้าไม่ได้ถ้ <ped S 2> า <X 2> <expensive plans> ไม่ติดชาโนมนนันเดี๋ยวมันก็เข้าได้ ลองเลิกสักพักหนึงหน่งอะเดี๋ยวมันก็เข้าได้อจะค่ะก็ต้องเลิกจะค่ะใช่ไหมงั้นต้องเลิกเลิกรูปเสียงกินรสต่างๆให้หมดเลยอะไรที่ไม่จําเป็นอย่าไปเสพมั น, นมันเป็นยาเสพติดแล้วมันจะทําให้เราเข้าสมาธิไม่ได้มันเป็นการมาฉันท์ท่าจะค่ะเป็นนิวรนกินมันมันยังเลิกทันทีไม่ได้ขอกินบ้างนะจะค่ะ ก็ตามใจถ้าไปกินมันก็จะทําให้เข้าสมาธิยากถ้าไม่กินมันมก็จะเข้าสมาธิได้ง่ายอก็เหมือนเราอดข้าวอย่างนี้ใช่ไหมเจ้าคาะว่าคือไม่อดแบบไม่อดแบบไม่อดแบบจนกระทั่งตายไปอดเพียงแต่ให้มันกินให้มันน้อยหน่อยแต่ยังกินอยู่แต่กินน้อยหน่อยไม่กินหลังเที่ยงมวันไปแล้วอย่างเงี้ยเจ้าค่ะ ก็ไม่กินหลังเที่ยงวันอย่างที่พ่อจาย์บอกก็กินแต่น้ําเปล่าเจ้าค่ะแต่อาจางที่บอกก็คือผ้าตรงที่ว่าซื้อมาไว้นี่ละเจ้าค่ะอย่าเพิ่งซื้อเลยแสดงว่าโลคแล้วแสดงว่ายังติดอย่างนี้โอเคนะค่ะมีแค่นี้เจ้าค่ะอย่าดีเอาแล้วนะตลอดเที่ยงนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลา